ดลานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมคาถามตอบคำถามแนว ก, การปฏิบัติทานศีลภาวนาใครสนใจก็เชิญเข้ามาถามได้ถ้ามีคำถามวันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก็คือบออพิเชษ แทนคนน้อยพี่แช่นี่กลับนอกส ก, การ์พระอาจารย์ครับข อ, อความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายความสุขที่แท้จริงครับรอาจารย์ก็ความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องเป็นความสุขล้วนๆเหมือนทองคําำทองคําที่แท้จริงนั่นเป็นทองคําบริสุทธิ์ไม่มีแร่ธาตุอยู่ในผสมด้วย เราผสมแล้วเขาเรียกว่าเป็นทองคาบริสุทธิ์นะของแท้ของจริงก็ต้องร้อยเปอร์เซนความสุขที่แท้จริงก็ต้องเป็นความสุขร้อยเปอร์เซนตไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสุขที่เรารู้จักกันนี้ไม่ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขของพวกเรานี่เป็นความสุขที่เป็นสุขเวทนา เป็นความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผงสารชนิดตา่างๆอันนี้เป็นเป็นไตรลักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อมันไม่เที่ยงมันพอมันเสื่อมไปหมดไปความทุก์มันก็เข้ามาแทนที่อันนี้ความสุขทางโลกคือสุ ข, ขเวทนา เวทนามันไม่ที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยากสุขการบรรทุกได้ในการเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ได้ น, นี่คือความสุขที่มนุษย์นก็แสวงหากันอยู่แล้วก็แล้วพบกับความทุกข์ในภายหลังเวลาสูญเสียความสุขที่ได้มาไปหรือสิ่งที่ทําให้ให้มีความสุขนี่นเราเสพ ร, รูปเสียงกินรสพอิูปเสียงกินรสที่เราเสพ เขาจางเอกไปเปลี่ยนไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หมดไปความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นความเสียใจก็เกิดขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎกกของตายละกอนิจจังโทกังหันตตาส่วยความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ความสุขที่เกิดขึ้นในใจ อันนี้ไม่ใช่เป็นสุขเวทนาแต่เป็นความสุขที่เกิดจากทำใจให้สงบอันนี้เป็นความสุขที่จะเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปถ้าสามารถสร้างมันให้มันสงบได้ตลอดเวลาวิธีที่จะสร้างความสุขทาใจนี้ก็พระเจ้าก็สอนเป็นขั้นบันได ให้เริ่มที่ทานก่อนเวลาทําบุญทำทานเราจายเงินทองไปใจเราจะมีความสุขใจอิ่มใจอันนี้ไม่ใช่เป็นสุขเวทนาหนึ่งความสุขที่เกิดจากการได้เสียสละแบ่งปันของของเราไปคือเป็นการละวางกิเลสได้นนระดับหนึ่งวางกิเลสได้ถูกระลับไประดับหนึ่งความสงบก็ เกิดขึ้นในระดับหนึ่งในจิตใจทําให้เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้ขั้นระดับแรกก็คือขั้นทานสูงกว่านั้นก็คือขั้นศีลการรักษาศีลก็ทําให้เรามีความสุขใจเพิ่มขึ้นเพราะเราจะได้พราจะไม่มีความทุกใจที่เกิดจะกาการกระทำบาป การรักษาศีลมัความมั่นใจมีความสบายใจแล้วขั้นต่อไปก็คือขั้นภาวนาอันนี้เป็นขั้นสูงสุดอันนี้จะทําให้ได้พบกับความสุขร้อยเปเซ็นแต่ดบงเป็นสองระดับระดับชั่วข้าวกับระดับเท้าวนการภาวนานี้มีสองระดับระดับสมาธิ นอสมัติถภาวน า, า, า, าในระดับปัญญาเบื้องต้นเราก็สร้างความสมบจากระดับสมาจากระดับส ม, มาในระดับส ม, มาธิก่อนดยการเจริญสติคอยกวบคุมความคิดอยู่ความคิดเพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สงบนังนก้นเรงใช้สติคอยสกัดความคิดนย่งแล้วก็แล้วก็นา พอมีสติมีกำลังพอที่จะนั่งสมาธิได้ก็นั่งหลับตาแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเขา้าไม่ให้คิดเรื่องมันเอาเลยทั้งสิน้นให้รู้หยุดแต่การดูลมให้เห็นเดียวถ้ามีสติที่สามารถควบุมจิตให้อยู่กับการดูลมได้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งสงบลงหยุดหยุดหยุ ด, ห ย, ดหยุดการกระทำชั่วข่าวหยุดความคิดชั่วข่าว อันนั้นก็จะเกิดความสุขที่เกิดจากความสมุงบที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่เนีืยกับความสุขทางโลกความสุขที่ได้จากาบ้ามยศรเสิร์น จ, จากวัตถุสิ่งกินตอนนี้เป็นความสุขที่น้อยหรือเบาไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เด่นไม่ไม่เลิเท่ากับความสุขที่ได้จากความสมุบ แต่ความสุขที่ได้จาความสง บ, บนี่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปูกแต่งวามสุขนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะความคิดปูกแต่งมักจะคิดไปทางกิเลยคิดไปทางฝังโลกความอยากก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่น้วก็อยากได้รูปเสียงดลดกลิ่นรสขึ้นมันก็เลยทําให้ความสง บ, บนั้หายไป งั้นถ้าอยากจะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้อยู่ต่อไปเราจะออกท่าจากสมาธิมาแล้วถ้ายังถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาได้ก็ใช้สติไปก่อนก่อนก็กลมครามคิดต่อไปเหมือนต่อต้นถ้าไม่คิดใจก็อย่ายสงบเย็าสบายได้แต่ต้องคอยใช้ใช้สติให้เรื่อยถ้าเพลิสติเมื่อไหร่ ถ้าปล่อยให้ใจคิดไปเมื่อไหรใจก็จะคิดไปทำความโลภความอยากความสงบความสุขก็จะหายไปถ้าอยากจะให้จิตสง บ, บอย่างถาวรหลังจากอยากสมาธิมาแ ล, แล้วก็ต้องใช้ปัญญาด้วยการสู้กับความอยากต่างๆเวลาอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้มันก็คือรูปเสียงกิ่นรสนี้ ในรูปแบบตา่างๆพอรูปเสียงกิริยามันก็เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงได้ไมาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปรื่หมดไปพอเปลี่ยนไปหมดไปมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือหรือมันก็เป็นความสุขเวทนานอย่างที่ได้แสดงไว้ตอนตน้นความสุขทางโลกก็สอนใจว่าความสุขทางโลกมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง มันไม่ใช่สิ่งที่รเราควบคุมบางครั้ได้สูอยู่กับความสุขทางธรรมนีกว่าคือตัดความอยากไปอย่าไปหาความสุขทางโลกทุกครั้งที่อยากหาความสุขทางโลกก็ใช้ปัญญา ม, มาสอนน้อเป็นใจแล้ความสุขทางโลกอย่าไปหากลับมาอยู่กับความสุขทางธรรมนีกว่าคือหยุดความอยากไปหยุควอยากความสงบก็กลับเหมือนเดิม ถ้าต่อไปความอยากถูกถูกกําจัดเป็นหมดก็ไม่มีอะไรมาทําให้ความสมมางบทําใจนี้หายไปจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอสมาธิมันก็สงบเพราะตัวที่ตัวการที่ทําให้ใจไม่สงบ ม, มันได้ถูกกําจัดไปแล้วคือความอยากทังทางความคิดถึงแม้จะไม่อยู่ก็ไม่ไม่เป็นความคิดที่จะทําให้ใจไม่สงบเพราะมันเป็ความคิดที่ ไม่ไม่เกี่ยวกับความอยากเความคิดที่เกี่ยวกันงและเหตุผลต่างๆเป็นเป็นธรรมความคิดทางธรรมความคิดทางธรรมคิดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปทําให้จิตทําลายความสงบท่านทำให้จิตน้อมเครื่องว่าธรรมเ่อเป็นเขาเย็นก็ยจะได้ความสุขที่เท้าว่ต่อไปเจ้าพระเจ้านี้กาจัดความอยากได้แต่อดิทัดสารู้ใต้ต้น ให้คนต้นโผลอายุ35แต่พรต่งคาก็ยังอยู่ตออาย45ปีก็มีความคิดอะไรไม่ได้คิดไปทางความอยากคิดไปด้วยเหตุด้วยผลคิดไปด้วยความเมตตาภาวนามนมตตาว่าจะทำอะไรดีให้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็สอนท ร, รมาไปแสดงทมก็ใช้ความคิดเหมือนกัน เนี่มันแค่เป็นความคิดที่จะทําให้จิตไม่วุ่นวายขึ้นมาจิตก็ยังสงบอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือลักษณะของของความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทําใจให้สงบกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากให้หมดไปจากใจด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจิตก็จะมีความสุขที่แท้จริงที่ตาวงไปไม่มีวันสิ้นสุด และจิตที่มีความสุขที่แท้จริงก็จะไม่ทุกกับอะไรจะไม่ทุกกับทุกขเวทนาถึงแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาจิตก็จะปล่อยวางวางเฉยได้เพราะความสุขทํางของใจนี้มันมีพลังมากกว่าความทุกขของทุกขเวทนาความสุขทางใจตกรับความทุกของขเ ว, นเงวทเวนาได้ อยู่กับความทุกข์ของวิถนาได้ยังไม่เดือดรอนเปลี่ยบเหมือนกับ อ, อน้ำแข็งที่อยู่ในกองไฟ น, งง น, ไ น, งนั้นน้แข็งแรงเย็นปรมาณนี้นะเห็นได้ว่ามันละลายต่อเป็นท่านอยู่วิถีนานมันก็ละลายแต่ใจมันไม่ละลายใจที่เย็นที่มีความสงบอยู่ท่ามกองไฟของของขันท่าของ ของของของเวทนามันก็ไม่มันก็ไม่มันก็เย็นเย็นหนึบเหมือน น, นี่คือใจของที่ได้ความสุขที่ที่แท้จริงแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรความทุกข์ต่างๆไม่สามารถมาละลายความสุขทางใจนี้ให้หายไปได้ใจไม่จะสุขไปตลอดเวลาบาลังสุขขังนิบานังบาลังสุขขัง นี่แหลคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการชำระความโลภโกรธหลงให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติทานสิงห์ภาวนาที่พวกเรากําลังปฏิบัติกันอยู่นี่เรื่องมาของพวกเราคือการเข้าหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หวังว่าจะร่ำรวยจระจะแหล่ในรายศราเสือสุขนะครัไม่ได้หวังว่าจะ ไปเกิดเป็นเทศเป็นไปสวรรค์ไปอะไรนั่นิหวังเพียงอย่างเดียวก็คือความสุขทางใจความสุขที่แท้จริ ง, งก็คิดว่าพอจะได้ความคข้าใจนั้นนะคุณหมเข้าใจอย่างอย่างมากขึ้นเลยครับอาจารย์กลับกับลงบรรจารย์ค่ะที่คหมอปฏิบัติอยู่นี้ก็เพื่อเข้าหาความสุขที่แท้จริงนะด้วยการพยายามควบคุม ความคิดมาให้มันคิดให้มันหยุดคิดนำมานังสมาธิให้ใจมันนิ่งแล้วเอกจากสมาธิมาก็ใช้สติคอยคุมความคิดย้ายคิดไปทางความอยากถ้าคิดไปทางความอยากก็ใช้ปัญญามันสอนว่าความสิ่งความสุขทางโลกเป็นความเป็นความสุขแบบตายแล้วความสุขที่ไม่เที่ยงง่้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหรือเปลี่ยนไป แล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแค่นรรเนี่ยการปฏิบัติง่ายๆงแต่ว่าทำยากวอกกิเลยมันยังมีอำนาจมันต่อสู้จะทำทางแต่ตและข้างอิ่ดีเสียดายเสียดายเงินเสียดายทองหัวเงินหัวทองทั้งทีก็ไม่ด้ใช้ตายไปก็ออกไปไม่ได้แต่ละ มันก็หล่อให้ต้องเก็บเผื่อไว้อย่างมู้นอย่างนี้มากไปแต่ถ้าจะเป็นจะต้องเก็บก็เก็บไม่ไม่คอยเก็บด้วยเหตุผลยจะไปเก็บด้วยด้วยความโง่ด้วยความตนีอันนี้ปิเลตมันคอยขวานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติรักษาสีมันก็คอยขวานอย่างเมื่อจะมาชวนไปกินเหล้าเนี่ยบางทีก็ ให้เราพูดโสดบ้างให้เราโกหกให้เราอะไรบ้างให้เราบางทีก็ชอบโกงบ้างขอรับฉันแต่ถ้าเรารักษาศีลอย่างแน่วแน่มันก็ไม่สามารถที่จะมามาหลอกเราได้เราก็จะปราบมันได้ปราบไปเลยขั้นศีนได้ท่านแล้วก็ทําตาม ตา ด, ด้วยเหตุด้วยผลเรามีมากน้อยยังไงควจะเก็บเท่าไรเก็บบ้าส่วนที่ไม่ไม่ควรจะเก็บก็อย่าไปเก็บมนะเอาไปทําคุญประโยชน์ท่านตอนก็นทําทํากับผู้มีพระคุณตอบแทนเงินคุณก่อนก็ได้พ่อแม่บิดามารดาศาสนานี่ะนะถ้ายังท่านถ้าท่านเหล่านี้ท่านพอเพียงเริ่มไปช่วยผู้อื่นก็ได้ไม่ต้องทุกอย่างเดือดร้อน ถ้ามันจะพายเราไปได้ไปปฏิบัติตามขั้นตอไปได้ว่ายทานไปศีลจากศีลก็จะไปภาวนาได้น้องนำไปปฏิบัติครับอาจารย์ <Okay. S 2> กับพรคุณครับอาจารย์จ้าแม่กับแจ๊ที่เางานพิธการพระอาจ์ราครับยั ง, งอาการทายสองยังอยู่เปล่าอยู่ครับเวลาเห็นคนเห็นเห็นอาการทายที่สองก็ไหมเห็นครับ เห็นแน่เลยเห็นครับเห็นทะลุเลยครับเนี่ยเห็นข้อมาดูงไหมเห็นครับวันนี้มีอะไรอป่าวันนี้ไม่มีคําถามครับอจะเอาตารางที่สองมาโชว์หน่อยได้ไหมได้ครับได้เลยเรียคุนะ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้หัวใจตับความคืดไตปอดไส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำแขง น้ำมันข้นน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำหูดน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตําลเหลวน้ำตาลน้ำมันสนน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลจน้ำดีเยื่ในสมองศีชาอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส่ใหญ่ปอด ไตผังผืนตับหัวใจม้ามแกนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหางฟันเต็บขนผมอาการทั้งมดี้ที่ไหนด้ยอยู่ในร่างกายเราเออะนี่ยตัวเราตัวเราก็มีแค่นนี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้นะเป็นของชั่วคราวนะพิจารณาร่างกายเป็นของชั่วคราวคนหนึ่งก็จะต้อง ไปถ้าต้องอยู่อยู่ฐานใจนั้วก็จะกลายเป็นดินน้ำลงไปไปทำมาจากดินน้ำลงไปเดี๋ยวก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลงไปไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายรเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราเป็นยูเซอร์นะยูเซอร์ม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเขาได้ไหมเข้าใจครับ แค่ยุ่เสริไม่ต้องตื่นตกใจเฉยๆทําใจเฉยๆเวลาร่างกายเป็นอะไรถ้าทําอะไรไม่ได้ป้องกันไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ป่อยมันเป็นไปอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปถือว่าเป็นเป็นตัวเราของเราคคร <นะ S 2> ครัับบนะมีมีอะไรก็จะถามไว้ว่าที่ไีนไม่มีครับ ยังนั่งสมาธิอยู่เป่านั่งอยู่ครับเพิ่มขึ้นไหนมคือช่วงนี้จะต้องตื่นเช้าครับก็เลยไม่ค่อยนั่งสมาธิก็นั่งประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับอ่าน้อยลงนะครับแต่ยั <c oughs> ช่วงปิดเทอมจะเพิ่มขึ้นแบบนั่ ง, งา น, นานๆเลยครับโอเคนะโอเคยัง ม, มีคําถามนิด น, นึงค่ะพระอาจารย์เวลาที่นั่งอะค่ะระหว่างอ่า ดูลมโฟกัสที่ลมจุดเดียวอ่ะค่ะมันจะทําได้ยากมันเหมือนกับต้องหายใจแรงๆเพื่อให้เราโฟกัสได้หรือว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรตามลมให้มันไม่ขาดเลยอะค่ะแบบไหนดีคะพระอาจารย์คืออย่าไปบงังคับลมดูลมนะอย่าไปบาการบางังคับลมเป็นการทํางานของจิตแล้วต้องการหยุดการทํำงานของจิตต้องการให้จิตรู้เฉยๆเนี้ย ถ้าลมดูไม่ได้มันไม่ชัดก็ไม่ต้องไปไมบังคับให้มันหายใจให้มันแรงจะได้จับมันได้ถ้าไม่ไม่ถคิดว่าใช้พุทโธได้อาจใช้พุทโธแทนก็ได้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องดูลมเลยก็ได้ใช้พุทโธหรือจะดูลมด้วยพุทโธด้วยก็ได้นะแต่แต่อย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับลม ถ้าพุทโธลองเอาพทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลงก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปเพราเราจะได้พุทโธเร็วหรือช้าได้บางทีเรนต้อการให้มันเร็วเพราะบางทีช้าแล้วความคิดมันเข้ามาแทรกอย่างนั้นอยางนี้เข้ามาแทรกแล้วเราพุทโธให้เร็วขึ้นหน่อยก็ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปผูกไว้กับลงถ้าผูกไว้กับลมแล้มันถ้าผูกไว้กับลงมันจะไม่สามารถ ถ้าลงช้าความคิดมันเข้ามาเราก็กันมันไม่ได้เพราะเราเล่นพูดโธไม่ได้อ้าเราจะให้พุทโธแล้วเราก็ต้องปล่อยลงเดี๋ยวไม่ต้องไปผูกไว้กับเราถ้ลรำอยู่แล้วนะเราที่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนให้พูดเข้าโทออกอะไนะแต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามมันสิ่งนั้นแต่เห็นถ้าเราพูดโธพุทโธไป ดูดลมไปแต่บางทีบางคนเขาวขามลผูกรวมกันครับแต่บางทีมันจิตมันฟุ้งมากจิตมันดือบางทีพูดเอาท่อมันมันไม่พอมันต้องใช้พุทโธพุทโให้มันเร็วขึ้นไปมันก็ต้องปล่อยลมอย่าไปถูกไว้กับลมใช่เวลาหน้ามัาเจ็บเนี่ยมันบางที เ็ตุแม้จะน่าแสดาการบุแรแลงขึ้นจะหยุดการรอาการประโยชน์ชงมันได้าก็ต้องใช้คำอะไรคำให้เหลี่ยมขึ้นเพื่อดึงมันออกจากการไปยุ่งกับเวทนาปับทุกขเวทนาไม่ให้ไปสนใจให้มันสนใจกับุทโพุธโทพธทุธโทธโุโให้เหลี่ยมขึ้นไปอันนี้ก็ต้องลองลองดูนะรับ พาใ จ, จไหมไม่ได้ยินเสียงเลยพอใ จ, จ, จ, จไหมพอใจครับไหมพใจครับแต่ยังสวดมนต์ยังบ้านอกจากการทั้สองแล้วยังสวดในทีมีโซ่ยังบ้าก็สวดก่อนที่จะนั่งสมาธิครับโอเคสวนแล้วจะนั่งดีนั่งดีขึ้นยังง่ายขึ้นยังครับรให้ให้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอะค่ะแล้วก็ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายค่ะให้เขาเอ่ยชื่อค่ะพระอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็สงบโอเคโอเคนะถักต่อไปนะของดีของพิเศษนะเราจะได้ความสุขที่แท้จริงโอเคไปที่คุณสาธกาขอบคุณพระอาจารย์ครับอ่าไม่มีคํำสั่งพระอาจารย์มาฟังทำค่ะ โอเคไปที่คุณหมอนัฐิดาหมอกลับในเทกาลเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์ด้วยพระธละคมเจ้าค่ะก็ช่วงนี้หลังจากเ อ, อกับศากระติบัติเจ้าค่ะโยงก็รู้สึกว่ามีสปิมากขึ้นมากเจ้าค่ะอาจารย์ยคือจะเหมือนกับรู้สึกว่าเ อ, อ, อะไรภายนอกเนี่ยมัน มันเหมือนผ่านไปแบบช้าลงแล้วเราเหมือนเราทันมากขึ้นนะศาพัจจานทร์แล้วก็จะค่อนข้างกับเพื่อนกับเพื่อนน้อยนะเจ้าค่ะไปฝึกให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปมีปฏิสัทฐานกับอะไรปฏิกริยากับอะไรเจ้าค่ะแล้วก็พอดีเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วก็พอดีแบบตอนนั้นก็คือได้เหมือนได้เรียนรู้เรื่องเรื่องกรรมเรื่องของสีที่มันละเอียดมากขึ้นอ่ะเจ้าค่ะก็เลยแบบเหมือนมีความระมัดระวังมากขึ้นมากเอทั้งในเรื่องของตั้งแต่ตั้งแต่ความคิดเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์พยายามไม่ให้มันหลุดนะเจ้าค่ะอาจารย์พขาก็สุกว่าวิบากมันมันหนักถ้าเกิดว่าเราเราเผลอไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เหมือนเพียรละอกุศลกกรรมมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะ ก็ในถ้ามีสติแล้วมันจะควบคุมความคิดความพูดาการกระทําได้ดีขึ้นเจงบอกคือเหมือนหลังดำโอกจ้าค่ะอาจารย์เชิญค่ะถ้มีสติแล้วก็จะไปที่ต้นต้นเหตุของการกระทําคือความคิดเลยเราจะเห็นได้ชัดขึ้นเร็วขึ้นพอคิดลายไม่ดีเราก็หยุดก่อนที่จะปล่อยให้มันออกมาตามวาจาะทางทา ง, งกายเจ้าค่ะ สตินี่เป็นธรรมี่สาคัญ ม, มากควบคุมจิตใจเป็นเป็นตัวควบคุมจิตใ จ, จค่ะคือคือกลับมานี่ก็เน้นเรื่องการฝึกสติเรื่องของสมาธิมากขึ้นมากเจ้าข่ ะ, ป, ะปัญญาจึงปัา่อย่างแบไมป่ปัญญาก็ดี<ป>แต่ยังไม่ถึงเวลาใช่เจ้าค่ะอยากให้แบบ ฐานมันแน่นจริงๆแบบเราแบบเข้าฌาญได้จริงๆหรือว่าแบบเชี่ยวชาญจริงๆก่อนเนี่ยจ้าค่ะพระอาจารย์เออเจ้าค่ะ okay. มีอะไรไหมอ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างคืออย่างระดับของชานเนี่ยมันก็คือแล้วแต่ว่ามันจะแบบเข้าไปแบบเออ่สงบแบบที่ไม่เ อ, อไม่รู้สึกถึงอะไรเลยกับเหมือนกับว่าอาจจะยังได้ยินอยู่แต่ว่าแบบสงบ ก็ดูไปย่างมันจะนเป็นยังไงก็ให้มันก็เป็นผลที่เราได้นะก็ทำใจงได้เรามีสติอยู่กับลมเรื่องอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วผลมันจะเกิดมากเกิด น, น้อยจะลึกจะไม่ลึกก็มันก็ขึ้นอยู่กับการกาลังของสติของเรานะั้นะไม่ต้องไปวิพา์วิจารณ์ไม่ต้องไปกังวลขอให้กังวลอยู่ที่ตัวตัวตัวสติตัวบริกรรมทโธ ดูตัวจมลงหายใจนะจ้าจมันจะสงบมมากใ้สงบน้อยจะรับรู้อะไไม่รับรู้นั้นเหมือนให้มันเป็นสันติิโกว่าแล้วมันให้มันปรากฏขึ้นไม่ต้องไปนึกไม่ต้องไปนึกถึงมันเพราะนึกถึงมันไม่ใช่ของจริงของจริงมเป็นไงก็ดูจมันก็จะปรากฏให้เราเห็นเองจ้าจ้าจ้า ก็เราแต่ว่าก็คือความต่างที่ว่าเราเราเคลิมหรือเปล่าหรือว่าเราแบบมีแบบเราเข้าได้จริงก็คือก็คือสติอันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ถ้ามีรู้ตัวสติต้องต้องมีสติเมื่อที่เราคุยกันอย่างเนี้อ่าเป็นยังไงมีคำถามอะไรนะครับการนวัตกรรมก็คือจะขอเรียนสอบถามว่าคือจัดการ ปฏิบัติเห็นคำเห็นความสําคัญของสติเห็นที่ที่พระอาจารย์วานที่นี้เนี่ยอยากจะเรียนถามอย่างที่ตะกี้พระอาจารย์แนะนําว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องสนใจแต่ว่าบางทีเี่เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเร า, เาไม่มีความฟุ้งซ่านสงบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นแค่อาการที่ว่าเราแค่เทิรมไปเองเท่าั้นเองเราแค่เทิรมสบายเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เลยอยากเรียนถามว่ามีวิธีการที่จะทําให้แบบสามารถเพิ่มสติสร้างสติให้เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องต้องปฏิบัติ อย่างไรครับก็เนี่ยต้องไปเปลี่ยนวิเวกบ่อยๆจะได้สร้างสติได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเรายัมีชีวิตทํางานเราก็ต้องคิดเราก็วุ่นไปกับงานที่เราทำแล้วเราต้องหาเวลาวันที่เราไม่ไม่ต้องทํางานไปเปบบลี่ยนวิเวกที่ไหนก็ได้ที่มันสงบที่ไม่มีอะไรมาล้อขวนเรา ชี้ชีครับชี้ชีชีชีชี้รับทราบครับถ้าไม่ใช่นั้นสติมันก็จะอยู่ในระดับเดิมเนี่ยสติแล้วตอนนี้ได้ขนาดไหนมันก็จะได้แค่นี้ถาอยาให้มันเพิ่มมันก็ต้องหาเวลาไปไปชาร์จครับเขาจึงไปปีกเว่ยกันไปเข้าคอร์สกันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยท่านเราในภาวนาครับอยู่ อยู่ตามลำพังจะได้คอยควบควมุมจะได้ไม่จะไ ด, จะได้จะได้มีสติมากขึเอแล้วถ้าเราไปอย่างนั้นเราจะเห็นความแตกต่างที่จากที่เราเราเราแค่รู้สึกสงบก็คือจะได้รู้สึกรู้สึกถึงความมีสติมากกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่สติจะมีมากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิก็จะสงบได้ดานขึ้นได้ได้มากขึ้น มันอยู่ที่การเจริญสติเป็นหลักนะถ้าเราอยู่ที่ชีวิตประจําวันนี้วันจะนั่งนั่งสมาธิสักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ได้ทางานเราไปเปิีวิเวงเรานั้งเดินทําวันทั้งคืนสลับกับการเดินนั่งเสร็จก็รู้ ก, กมาเดิ น, จนเจริญสติต่อนั่งจคกรมเจริญสติมพอที่พอเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งต่อ ทำมันได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็สติมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารยสจะต้องเจริญต้องฝึกมันมต้องฝึกครับยากต้องฝึกในในชีวิตประจําวันมันฝึกไม่ได้เพราะชีวิตประจําวันมันไม่เอื้อต่อการฝึกสติ สติที่ให้เราหยุดคิดนะสติที่ให้คิดมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ให้เรามีสติกับการทํางานมีสติกับการขับเคลื่อนไหวต่างๆแต่ต้องใช้ความคิดกับมันนี่มันก็มันก็ไม่ได้ทําให้ใจนิ่งได้ทําให้ใจเบามานานัาม่นได้ได้เมื่อยังคิดเรื่องงานเรื่องการเรนานลยนะโดยเฉพาะทําำงานที่เราแก้ปัญหาด้วยยิ่งปวดหัวใหญ่ ครับใช่ครับแล้วเหมือนระหว่างวันมันก็เหมือนเป็นแค่มาพักชั่วคราวเฉยเฉยเครับเองก็ต้องต้องหาเวลาเป็นวันหยุดไม่ต้องวันว่างจากการทำ ง, งานอทนนี้จะไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไม่จาเป็นต้องทำก็ไปเอาไปไปเปลี่นวิวเองครับทราบครับ โอเคนะมีอะไรไหมครับรับครับไประารการปการประาประการารแล้วลูกลก็ชอบฟังอาจารย์ภาษาอังกฤษเจ้าค่ะอาจารย์เราเลยต่อนอนเขาเรี่อินเตอร์แล้วาก็ฟังอาจารย์ฟังกับอาจารย์ไปที่ คณนณแม่เชียงใหม่ลูกลูกชายลูกสาวเลยการัฒนาการเข้าใจครับลูกชายกับลูกสาวเลยครับว่างไงมีอะไรไหมมีอะไรการบ้านอะไรทำอะไรมาการบ้านอะไรเออทงอาการขาเป็นสองครับเอาเลยเอืมทาไป ผมโถเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจต<ะ>าพังผืดไยปอดไส้ใหญ่ไสน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีซ้า น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำมันต้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูน้ำใส่ขอน้ำมู น้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันคนน้ำเนือน้ำเลือดน้ำเหลือน้ำสเลดน้ำดีเบื่อในสมองศีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ ปอดตาทำถือตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมอ่าเห็นใครไปดูภาพมันบ้างไหมภาพของกระดูกนี้ใครใครดูแล้วค่ะดูแล้วภาพหัวใจปอดตับไต นำใส่สมองใครดูไหมคเคยค่ะอ่าน่ะน่ะอยู่นี่คือส่วนประกอบของร่างกายเรานะ่มันมันไม่ใช่เป็นตัวเรานะมันเป็นเพียมันมันเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นเหมือนกับเป็นลถอยน์ร่างกายเป็นเหมือนล้ยนพาเราไปไหนมาไหนนะเรารเป็นใจเราเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไร เราไม่ได้เป็นร่างกายนะเข้าใจไหมเพราะนั่งกายเป็นอะไรไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องกลัวถูกไหมครับเรามันจะเป็นเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมนะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นมันเราก็จะได้ไม่ตกใจเราจะได้ไม่ไม่หวาดกลัวนะพยายามเตือนใจเรื่อยๆสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงผู้รําใช้เราเราเป็นคนใช้ร่างกายให้เปยืดทำอะไร ต, ต่างๆเราอยากจกินขนมก็ต้องสั่งให้ร่างกายเปหยิบขนมมากินนะแต่เราไม่ได้กินหรอกคนที่กินก็คือร่างกายเราเพียงต่ไปสัมผัสกับความรู้สึกของขนมนะว่ามันหวานอย่างนี้มันเค็มอย่างนี้มันแต่เราไม่ได้กินนะผู้ที่กินก็คือร่างกาย เราเป็นเพียงแต่สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเท่านั้นนะเราศึกษาให้เข้าใจแยกใจออกจากร่างกายเรากับร่างกายเป็นคนเราส่วนกันทําได้นะเวลาร่างกายเจ็บไม่ต้องร้องไห้เพราะที่ร้องไายไม่ใช่ร่างกายร้องไายใจเป็นคนร้องเมื่อใจเราไม่ได้เป็น ใจเราไม่ได้เจ็บเราจะไปร้องร้องเราไปร้องไอห้นะมาเห็นไหมร่างกายก็ไม่เห็นร้องไหเ้เราไปทําเราไปร้องเองถัดทําใจเฉยๆไว้เวลาถ้าใจเจ็บใจกลัวแล้วใจทุกก็ให้พุทโธพุทโธทงพุทโธพุทโธไปบอพรกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่เจ็่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย อยู่กับพุโทพโธุทโไปนะให้รู้เฉยๆมี ใ, ใจรู้รู้นะรืองนี้เข้าใจไหเข้าใจครับโอเคเราเอาไปปฏิบัติดูยนะครับพระอาจารย์ครับอขอถามคำถามหนึ่งคำถามครับช่วงพระอาจารย์ครับตอนปฏิบัติมันไม่ข้ามเวทนาครับ ในในกรณีช่วงบ่ายผมฟังถ้าเสียงคําของพระอาจารย์เนี่ยเราเราเราผ่านไปได้ครับแต่ถ้าเวลามันถามตอบปุ๊บเนี่ยเราต้องกําหนดลมอยู่พุทธโทรหรือว่าฟังถามตอบดีครับคือถ้าเราฟังเพื่อปัญญาเราก็ต้องฟังคําถามถามตอบครับแต่ถ้าเราต้องาการความสบงบเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ ถ้าเราถ้าเราต้องการคข้าสงบแล้วถามตอบมันไม่ทําให้เราสงบเราก็ปิดเสียงนั่นเสียงแล้วก็มาดูนมเริ่มมาบริกรรมพูดโทษแทนรับอย่าอย่าเอาทั้งสองอย่างมาปนกันถ้าทําทําเวลาถามตอบนี่มันมักจะก็อาอมมาอยู่ที่ปัญญามากกว่าไม่ได้อยู่ที่ความสงบอ๋อครับเราต้องคิดตามด้วยใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราฟังธรรมนี่บางทีเราไม่ต้องคิดเฉพาความเฉยเฉยไปเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้มันก็สงบได้ครับเวลามันเจ็บมันก็ผ่านได้ครับแต่เวลาเจอถามตอบปุ๊บมันไม่ผ่านสักทีครับเอพราะใจเรามันไม่ได้มันไม่นิ่งเหมือนตอนที่เราฟังธรรมฟับธรรมนี้เป็นการเรีนก็มีมีสติคอยรอเรียนจิตใจเราอยู่ให้จิตเราหนี้อยู่ตลาดไม่นาน ก็เลยไม่เดือดร้อนกับเวทนาครับถ้าถ้าถามตอบแล้วมันมีเวทนาก็เราก็ต้องใช้คําะไรก็ช่วยแทนครับใช้ท ร, พ, ท ร, พ, ทรพูดโทรไปคือคือตัวผมเองผมไม่อยากมาปิดโทรศัพท์เวลานั้นพอดีมันเริ่มมันเริ่มมีความเวทนาเข้ามาแล้วแต่ผมไม่อยากกดโทรศัพท์มาพระอาจารย์ผมก็อยากจะพูดโทรต่อไปเลยได้ใช่ไหมครับได้เห็นแล้วว่าเสียงมันนะเสียง เสียงที่เขาที่คุยกันเนี่อาจจะรบกวนสมาธิเราขอไม่มันถ้าเราอยู่ประพุทโธนี่ก็ลองครับาอย่างในกรณีช่วงวันพระผมก็จะเข้าไปวัดครับทุกผ่านมาสามพระแล้วแต่กําลังไม่พอครับอาจารย์มันแค่วันเดียวอาทิตย์ละวันไม่ไม่มันมันไม่ถึงครับอืมมันกําลังไม่ใช่มันชาติรู้ไม่พอคาบมันไม่พอครับผมวันมันน้อยครับอาทิตย์ละวมันน้อย ถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องบินก็รันเวย์มันสั้น ไ, ไม่พอที่จะขึ้นบินขึ้นได้ต้องต่อรันเว์ให้มันยาวต้องเจริญสติให้มากขึ้นต้องมีเวลาหาโอกาสเจริญสติให้มากขึ้นก็นี่แหละมันก็ต้องยอมรับสภาพว่าเรายังไม่ไม่พร้อมกับสถานเวลา แสถานที่ที่จะเอื้อต่อการเจริญสติให้มีมากขึ้นครับแล้วก็ จ, จะต้องหาเวลาไป็นปีนี้เองครับท่ครับช่วงตอนช่วงว่าเด็กปิดเพิ่มครับน่าจะอ่าเวลาน่าจะดีเพิ่มมากขึ้นได้แล้วพอเราเห็นผลดีต่อไปแล้วกา จ, จะทําเพิ่มมากขึ้นไปครับครับอาจารย์ครับโอเคนะขอบคุณครับอาจารย์ครับ ไปที่อาจารย์พรมพิไลกทม น, นี่นะนุกูลอยู่ป่ะการนวัตกรรมอาจารย์คะกับนวัตกรรมพระอาจา ร, รายาร์ค ร, รับับเป็นยังไงบ้างวันนี้นะอ่าอาจารย์สบายดีนะคะค ร, รัสบายดีคาดว่าจะได้ไปตักบาทในไม่กี่วันข้างหน้าไลายวันเหมือนกันหลายวันรประมาณที่สองมีนาะ ได้พอเมื่อไหร่ก็มาก็แล้วกันต้องพยายามตื่นตื่นไปให้แต่เช้าว่ะค่ะได้ตอนนี้ยังมืดอยู่เลยนะคะแล้วแต่รับบาดก็ยังมืดเงยอยู่แต่ตอนนี้เริ่มอาทิตย์เริ่มขึ้นเร็วขึ้นแล้นเริ่มขยับนล้วอ๋อค่ะก็ไปได้เร็วขึ้นอพราะเฝ้าเฝ้าดูอยู่ค่ะตอนรักบาดวันอาทิตย์นะคะอืมยังเห็นที่ที่ผ่านมายัง บกโมงยังมืดอยู่เลยค่ะต่อไปน็จะจะออกเปน้ บ, บาดแลเร็วขึ้ น, นอ๋อค่ะเพราะว่ามันมันน่าเข้าสู่เงื่อนรอรอตอนที่ค้าที่มันจะขึ้นเล้วค่ะเมื่อกี้ฟังออคุยกันเรื่องเรื่องเราอย่างเราปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปรีวิเวกอย่างแท้จริงอะนะคะแต่ว่า เขาสังเกตตัวเองว่าเราก็มีความนิ่งมันเงียบมันสงบได้ในใ น, ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่ว่านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเราก็จิตก็ไม่ได้ไม่ได้นึกอะไรทั้งสิน้นอย่างนี้ถือว่าได้สงบนะประมาณหนึ่งไหมคะก็ความสงบมันมีหลายระดับ บางทีที่ระดับที่สูงวันนี้ถ้าเรายังไม่สัมผัสเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเป็นยังไงค่าันก็มันก็ปุ่นม he> ันมีหลายหลายหลายขั mm ้นเหมือนขับรถเข้าเกียร์อ่งมันก็วิ่งได้เข้าเกียร์สองมันก็วิ่งได้เข้าเกียร์สามก็วิ่งได้แต่ถ้าเคยขับแต่เกียร์หนึ่งมันไม่เคยเข้าเกียร์สองมันก็รู้ว่าเกียร์สองมันดีกว่าเกียร์หนึ่งังไงใช่ไหมมันจะวิ่งเกียร์สองก็ก็ยากอยู่นะคะนานๆก็จะได้ไปถึงสัก ที yeah, so. ่สองนันั่งแล้วสงบจริงจังมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราต้องการให้มันนิ่งมากนะที่เรามีอยู่หรือไม่เน้นว่าเราแฮปปี้กับที่เรามีอันนี้ก็เป็นเรื่องของของแต่ละคนนะที่จะต้องคิดเราเองเราก็เหมือนคิดว่า ตรงนี้ก็โอเคสําหรับเราเราก็เลยไม่ค่อยได้ขยันมากเท่าที่ควรนะคะอ่าก็ได้เหมือนกันมันบางทีอาจจะต้องเวลาไปเจอกับทุกมันถึงจะมีอะไรมากระตุ้นให้อยากปฏิบัติมากขึ้ น, นแล้วเป็นจิตเรายัางสงบไม่พอที่จะกันความทุกอย่างในระดับนี้ได้มันก็าจจะทําให้เราอยากที่จะ ปฏิบัติเพิ่มหมา ก, กมขึ้นก็ได้เดี๋ยวนี้ทุกที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นกับกายนะคะเพราะว่าด้วยสังขารด้วยอายุใช่ไหคะแต่เราก็สามารถที่จะแบบก็ก็เห็นเป็นสัจธรรมมันนะคะไปซะเยอะมากก็ถ้าถ้าต่ใดเราสามารถคุมความทุกข์ได้ก็ปัห า, าเข้า อ่าเป้าหมายของการบรรยติก็เพื่อข่มความทุกข์เมื่อใจรับทุกกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเห็นอะไรก็เฉยได้ก็เท่านั้นแหละที่ถ้ามันเราไปเจอเหตุการณ์ว่าเรายังข่มความทุกข์ไม่ได้แสดงว่านิติปัญญาของเรามันยังไม่พ อ, อใช่ไหมครับใช่ครับก็พยายามจะไม่ไม่ไมันแกว่งมากมากมายนะ พยายามระงับใ ห, ให้ได้ทัน อ, อ้าอยู่ตรงนั้นอนะ่ะผู้ปฏิบัติก็จะรู้ทึกตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองต้องต้อ ง, ต, องต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แต่เป้าหมายก็คือต้องการให้เราสามารถอยู่เหนือกับความทุกข์ทุกรูปแบบได้ไม่ว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าเราทุบประมาณแสดงว่าเรายังยังบกพร่องอยู่ยังยังทําข้อสอบไม่ไม่ได้หมดยังไม่ผ่านหมดทุกข้อค่ ะ, ะกลับมาคุณพระอาจารย์ค่ะสาธุที่ก็ลางวันวไรสามยอดอันนี้ให้ใช้ ย, ยาวสามยอดเพิ่มเป็นสี่ยอดจ้ะสี่ยอดยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มเลยค่ะ ก็เมื่อวันอาทิตย์เจ้าค่ะอก่ อ, อนไปฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิรอบหนึ่งพอฟังธรรมพระอาจารย์เสร็จหนูก็เดินไปตรงพระพรมธาตุนะคะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิอีกเออ่เปรียบเทียบกันเหมือนที่บ้านนะคะที่ที่วัดจะทํางานได้ดีกว่าแล้วก็มีสติเยอะกว่านั่งออกมาแล้วเหมือนเหมือนเรานอนเต็มที่อะคะ่ะเราก็มีพลังพลังเยอะมากขึ้นทีนี้วันจนันทร์ค่ะ มันเป็นกีฬาสีหนูหนูก็ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เสร็จงานตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มกลางคืนมีงานเลี้ยงซึ่งตอนกลางคืนเนี่ย่มันเป็นช่วงที่โหดมากเพราะว่าเราต้องเราต้องทั้งทำเป็นทั้งเอมซดูทั้งควบคุมการทำงานของของอีเวนต์แล้วก็ไปจนถึงเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมพนักงานเนี่ยค่ะ แต่บางทีมันก็มีเผลอคะพระอาจารย์อย่างเช่นฟังเพลงแล้วเพลงไหนที่เราชอบชอบคุค้นๆเนี้ยก็เผลอแบบทําตามไปแล้วก็แบบเต้นบ้างอะไรเงี้ยพอาะแบบลื้นสติกลับมาได้ปุ๊บก็แบบนั่งเฉยๆแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนไปนั่งตรงข้างๆเวทีแล้วก็ดูพนักงานที่เขาเต้นอยู่หน้าเวทีดูกระดูกโครงกระดูกเต้นมันก็เลยแบบอือเราก็อ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค mm ่ะ hmm. พอกลับไปบ้านปุ๊บไปเห็น Over อุบัติเหตุอะค่ะรถ มือนกับรถเขาประสบอุบัติเหตุแล้วตีลังกาตีลังกาลงมาอย่างนี้เลยค่ะหนูก็เข้าใจว่าอ๋อเขาถ่ายเขาถ่ายละครเขาน่าจะถ่ายละครไม่น่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุน่าจะตายปรากฏว่าตอนตีสองมีมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแต่ว่าหนูก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวตอนเช้ามาหนูก็มาทราบว่าไออุบัติเหตุนั้นมันเป็นพนักงานที่ที่บริษัทหนูก็ อีกมันถัดมาเนี่ยหาวันสองวันเนี่ยต้องวิ่งเขา้าวิ่งออกโรงพยาบาลเราก็เลยได้แบบได้พิจารณาไปด้วยอ่ะค่ะว่าเรื่องของความความเป็นความตายอะไรยเงี้ยทําให้เราทําให้เราใช้ใช้อริยสัจ ส, สีได้ได้เยอะขึ้นแต่หนูก็พอหนูฟังข่าวว่าเขาเขาลอดหรือเขาไม่ลอดพรรู้ว่าเขาลอดนะมันก็เหมือนกับมีน้ําตาเล็ออกมาเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเหมือนที่ว่าอาจารย์บอกค่ะทําทํางานน้อยไป ยังเรายังมีแบบอารมณ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องพวกนี้ค่ะมันมันก็ช่วยได้มากขึ้นว่าถ้าเราไม่เร่งตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะไม่มีเวลาเพราะาเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่มันเป็นข้อสอบให้เราให้เราทํำแล้วเราทําได้ไม่ได้เราก็จะรู้เองค่ะเหมือนที่พระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็แต่ตอนที่หนูเลิกงานนะนะเจ้าค่ะพอดีวันจันทร์นั้นเป็นวันพระพอดีหนูก็ เดินมาที่ลานจอดรถแล้วขึ้นรถปิดประตูแล้วเปิดเปิดเทปที่พระจันเทปเมื่อตอนกลางวานาันค่ะมันอยู่ดีๆน้ําตามันก็ไหลเพราะมันหนึ่งรู้สึกว่าเรามานั่งทำอะไรอยู่คือเราทําไมเราไม่ได้แบบไปสิ่งที่เราชอบเราต้องมานั่งทํางานอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วฟังไปน้ําตาก็ไหลไปแต่ก็คิด ว, ว่าอ๋อเออมันเป็นละครทําให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามีเวลาเราก็มานั่งนั่งทําของเราใหม่ค่ะก็ ก็เหมือนที่ว่าอาจารย์บอกค่ะมันก็ทำได้เท่านี้ค่ะแต่ก็รอเวลาค่ะโอเคค่ะขอบคุณจ้าค่ะอ่าถึงไปที่โกเบญี่ปุ่นมิจูอืมแล้ค่ณอาจารย์ค่ะนี่ก็ฟังแทมค่ะไม่มีคำถามค่ะทหนาวหรือที่ญี่ปุ่นหนาวมากหนาวค่ะวันนี้วันนี้กลับมาหนาวอีกแล้วค่ะอุณหภูมิลบหนึ่งอะค่ะอ๋อโอเค ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะอะไรที่คุณหมอพยาสนามั น, น, นกำลังปีวิเวกอยู่หรอค่ะพระอาจารย์ค่ะก็นั่งก็ออีกเได้ทําทั้งวันทั้งคืนนะคะพระอาจารย์แล้วก็เอาวัชพตัวมาขืนเล็กขืนเดียวค่อยๆมันมาสันโดดมากขึ้นแล้วก็นอนข้างนอกพระอาจารย์ค่ะก็สงบได้ทั้งวันค่ะพระอาจารย์คะ แล้วก็มีนั่งสมาธิเป็นเอก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมดูแบบจิตสติแล้วก็ดูเจริญญานะคะแล้วก็มีไปนั่งที่ศาลาพระอาจารย์นั่งไปนั่งมาปุ๊บเนี่ยก็มีเสียงสว ด, ส ด, สดตอนแรกนึวกว่าความเขาชินกับเราแล้วแต่กอดมาไม่ใช่มันมีเสียงปึ้งนั่งลงมาก็เลยเออตัวอะไรว่ามองไปอ้อลิงตัวไปเร่งเลยพระอาจารย์ใส่ไม่กระเพื่อมเลยพระอาจารย์คือรู้สึกอืม แล้วก็พอดีจเจริญเจริญเขาม่หันสีด้วยนะคะพระอาจารย์ก็คือแบบดูว่าเราไม่เป็นไม่ผู้รู้ไม่มีเราเพราะเราจะจะดูผู้รู้ตลอดก็เห็นว่าเออเขาก็เหมือนเราอ่ะเป็นแค่เขาเป็นล่างลิงเราเป็นร่างคนเขาก็นั่งนั่งใกล้ๆเลยนะพระอาจารย์แต่ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ถามว่าไปแล้วก็นั่งสมาธิมันเหมือนกับเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่มันนม่กระเพื่อมพระอาจารย์ค่ะรูร้สึกดีนะคะ ให้สัตจว่ารู้ไปเห็นอะไรสัมผัสอะไรให้ร enfin ู้เฉยๆไม่ต้องตื่นกันหรอกไม่ต้องดีใจเสียใจเฉยๆมากเลยพระอาจารย์ไม่ไม่รู้สึกอะไรพระอาจารย์คะการที่เราพอเราเดินเนี่ยเราเระหว่างพอเราเดินเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราใช้เจริญสติเจริญสติด้วยแล้วก็เจริญมุ่งพุทธิฐารศีลด้วยไดหมคะมันจะได้ดูใจให้เรารู้ว่าเราไม่มีเราไม่มีใจไม่มีเราเราจะได้รู้สึกว่าอทุกอย่างมัน เป็นธรรมชาติอันนี้อันนี้ดีไหมครับอาจารย์แล้วมันจะทําให้มันมันได้สีได้ต้องอุเบกขาเมตตาอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่หามันต้องเจริญตอนที่จิตตอนที่ต้องใช้มันอถ้าไม่ใช่มันจะไปเจริญได้ยังไงอ๋อคะเวลาเจออย่างเงี้ยก็แผ่เมตตาให้มันแผ่ใช่แสดงว่าเราไม่ต้องเจอก่อนแล้วถึงจะเจริญใช่ไ้มครับอาจารย์อ ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีอะไรเราก็ต้องนึกคิดดาวิธีเจริญเมตตาทํำยังไงอต้องไม่โกรธกันไม่เกลียดกันให้อภัยกันให้ความสุขต่อกันเลยอันนี้อันนี้เป็นการในการเรียนด้วยวิธีแผ่เมตตาแต่ไม่จช่ไปนั่งนึกคิดแบบแผ่อย่างนู้นแผ่อย่ ไม่ไม่ครัอาจารย์หมาถึงว่าเรากําลังจะดูว่าผู้รู้ของเรามันไม่ไม่มีผู้รู้มันไม่มีมันมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยก็คือเราก็ดูมันไม่เราก็อยู่ที่โอเบคขาตัวเดียวเนยถ้ามีโอเบคขาเราก็มีพรหมไม่หานสีไปคว้ามันถ้าอยู่คนเดียว่าไม่ไม่ใช้โอเบคขาาดีกว่าค่ะพระอาจารย์แต่แต่ว่าทันพระอาจารย์ค่ะแล้วก็แล้วก็ไปไปไปเยี่ยมมันไปวัดเลยนะคะพระอาจารย์เผื่อเพื่อนๆอยากจะไปก็ไปวัดหลวงปู่เจียละค่ะพระอาจารย์ ที่ได้เดจอพระอาจารย์ก็แต่ไม่เจอเจ้าวัดเจ้าวัดไปปล่อยปลาแต่ว่าเจอแม่ชีที่อยู่ตรงนั้นนะครไม่ใช่แม่ชีประจำน ะ, ะเป็นแม่ชีที่มามามาปลีบิเวกค่ะเขาให้ปลีบริเวกได้เจ็ดวันค่ะแล้วก็ได้เข้าไปในเจดีคุริชัตตะค่ะโชคดีมากเลยมีที่ปลิเวกให้กับญาติโยมผู้หญิงด้วยนะยผู้ชายค่ะมีเขาจะแยกส่วนไปได้ขับรถวนตูพระอาจารย์ก็มีเป็นบ้านเป็นเรือนเลยค่ะแม่ชีบอกว่าอีได้เจ็ดวันได้เข้าไปดูได้เข้าไปดูว่า ได้เข้าไปดูค่ะก็ก็ดูสงบเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แยกส่วนกัน mm hmm. องพระอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็มีเจดีภูริทัตตะเนี่ยเขาก็จะให้คนนั่งสมาธิก็เย็นดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้เห็นได้เห็นทั้งพระทันเคลือบแล้วฟันของห ล, ว ง, หลวงปู่มั่นด้วยไหมคะแล้วก็ mm hmm. ขวานอะไรของหลวงปู่เจียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เห็นหมดเลยแล้วก็พระธาตุของพระอริยะเต็มเลยพระอาจารย์เขาเก็บเอาไว้ในนั้นนะคะโชค mm hmm. ดีมากมากพาคุณ mm hmm. พ่อไป ใครอยู่อยู่กรุงเทพก็ไปได้อยู่ใกล้ๆปรฐุมธานีไ ป, ในในในในปมียก่าณก้าสามก้มม า, กาวิ่งทางวิ่งทางเ อ, อสายเก้าะค่ะวัดอยู่ทางซ้ายมือเลยอะไปง่ายมากเลยอืมก็ดีเป็นที่ไปเช็คอินได้จร่งตาม<อ>ภาษาโซเชียลเขาใช้เฟือเฟือเพือพ่อนๆคนไหนที่แบบอยู่ใกล้ๆก็ชงดีไปค่ะได้อยากจะไปวัดคำประฐานเนี่ยวันนี้ก็วัด เขาตั้งชื่อว่าพลาต์ใช่ไหมว่าะไรุดตค่ะชื่อของหลวงปูมั่นอ๋อแล้วก็พระจะบิณบาตปดโมงนะคะไปถามเรียบร้อยพระบินนบาตแปดโมงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันพระจะเก้าโมงเกิ่อะไรอยากจะไปบาบบินนบาตด้วยชั้นโงแรบิบิท่านเดินเดินอยู่ข้างนอกค่ะรอบๆปายถึงว่าออกบินบาตรับบาตนะคะแปดโมงไม่นึงแปดโมงมันทำไมสายยังงั้นอ่ะอืมไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่าแม่ชี คนที่เขาเขาอยู่บอกอะเพราะตัวเองไปประมาณเ้าโมงไม่ทันอยู่แล้วค่ะไปถึงเบญธาบดไปตามออาหมูบบ่ บ, บา้านแล้วว่าบป็นอกวัดอยู่ครับนอกวัดนอกวัดเนะออก้ายถึงแปดโมงเฉยให้เพิ่มเได้ยินห่งเห็นไหชีบอกเนี่ยเว่าญาติโยมเขาจะขอให้เป็นสายๆใช่ทันหรือเปล่าแต่ว่าสงบแล้วคะอาจารย์ก้อนหินนั่งสมาธิทั้งวัดเลยอะดีมากค่ะ มีต้นไม้เยอะไหมร่มเย็นไหมร่มเย็นค่ะก็ต้นไม้ท่านปลูกต้นไม้รู้สึกว่าได้อ่านประวัติอะค่ะก็คือท่านปลูกต้นไม้ขึ้นมาใช่ไหมต้นไม้ก็เยอะแต่ก็ยังไม่มันก็ยังไม่เป็นป่านะ่ยแบบหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ปลูกอะค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะป่าจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแต่ต้นต้นไม้นั่งสมาธิสงบแต่ว่ามันจะยังเป็นเป็นต้นไม้ปลูกอะค่ะพระอาจารย์มีมีก้นหินนั่งสมาธิด้วยก้นหินใหญ่ใหญ่ค่ะเ ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวทำต่อพระอาจารย์พยายามมากนสัตย์มอนข้างนอนะพระอาจารย์มอนในกรดโอเคดีสาธุแต่ที่น้ำมาตอบอบินชนไปลค่ะน้มาสการค่ะไม่มีคาถามค่ะโอเคตรงที่้าคก็ยังวันที่สามค่ะพระอาจาราย์ถึงถึงมาค้าเลยถึงมาคาอุชาหรือป่ะ ถึงถึงวันอาทิตย์ค่ะวันมาค้าวันจันทร์ใช่ไหมคะเนี่ะที่แรกไม่รู้ว่าถึงวันมาค้าวันจันทร์ถ้างั้นจะอยู่ต่อแต่ได้สองคืนค่ะโอเคค่ะนี่นะทุกค่ะขอบคุณไปที่แนนดอนทานีอ่ากลับมาสักกาะครับอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคยันไปที่คุณมาริการ อยู่นาราทิวาเนี่ยกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วขอฟังทำพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคสาธุไปที่คุณลอซึนคุณลอซึนท่านใอยู่บาตูมีอยู่ใกล้ๆวัดวัดหลวงปู่เจ้าเนี่ยเคยไปไหมเคยไปไปทำบุญที่นั่นอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะอ่าครูบาอาจารย์ท่านเมตานําสัตว์อ่ที่วัดมารักษาที่คลินิกของลูกเจ้าค่ะอ่าดี มีมีสัตว์เยอะนะมีม้าเยอะนะที่วันทางสุนัขและแมวสุนัขเยอะมากเลยเจ้าค่ะคนไปปล่อยทิ้งไว้กันนะมีเจ้าค่ะแต่วันเขาไม่มีกำแพงอะไรรอบรอบมีมีเจ้ามีไม่ชิปนะเจ้าค่ะข้างหน้าวันก็อ่าเหมือนคุณหมอพัฒนาพูดก็ร่มเรือนเจ้าค่ะ ต้นไม้เยอะแล้วก็ถ้าเป็นเขตของสงฆ์ข้างในก็น่าจะเหมือนเป็นป่าอยู่นะเจ้าค่ะค่ะแต่ว่าต้องเป็นด้านในเลยค่ะด้านในที่แบบเ้าห้ามบุคคลอ่าที่เป็นภายนอกเข้าไปอย่างนี้ยค่ะจะเป็นเขตของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเจ้าค่ะคเคยไปาักปฏิบัติเ้างไหมอ่ะยังไม่เคยไปพักปฏิบัติแต่เคยไปนั่งสมาธิบนเจดีย์ภูริทัน์เจ้าค่ะอ่าวชื่อวัดป่าภูริทัศน์เจ้าค่ะ ว่าปทเป็นเป็นชื่อของน้ำปูมันบริทัต่อใช่เจ <it> ค่ะดีมีอะไรไหมไม่มีคำถามเจ้ค่ะท่ า, ทานอาจารย์โอเคเดินไปที่จอยน้ำจอยวันที่เข้าเร็วกันนะโบไมไม่ได้พูดเหะวันนี้ใช่ค่ะ ก็ไม่ทันหนูกลับมาหรือหนูเข้าเลยค่ะอหนูจะบอกว่าหนูอ่ะไปเดินมาแล้วแล้วหนูก็ทําตามที่คุณจ้าจบอกหนูก็เดินถึงผ้าแดงเลยคะ่ะเขาพิจกุูดนะคะ่ะเด้อเป็นไงไปร<ม>อยมอเตรบัตก็ดี<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็พอกลับมาก็ได้เจอแบบแบบคนใกล้ตัวค่ะคือคือเมื่อกลางวั น, นยัเห็นเขาเมื่อตอนยินบายเห็นเขาเดินเไปตัวคือเขาเขาเสียเสียไปแล้วค่ะเขาตายแล้วค่ะ Mm hmm. มันก็ทําให้คิดได้ว่าแบบคนเราถ้าชีวิตเหนื่อยต้องยอะแยะแต่พอจะตายมันมันดูง่ายจังเลยคะใช่จะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครด้วยนะไม่มีค่ะ mm hmm. มันก็เลยคิดถึงว่าเออแล้วตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คิดย้อนกลับมาเหมือนกัน mm hmm. อยากทําให้มากแต่ว่ามันมีหน้าที่อยู่ก็ <laughs> พยายามอยู่ค่ะก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะค่ะ กเ็เอาที่พระอาจารย์สอนก่อนละกันเลื่อนทะลาะกันให้ได้กาแฟแผลไมตาเนื้อไมตาให้อภัยก ไ, ไ, ไ, ไงเวลาใส่บาพระอาจารย์จะบอกตอลอดเลยให้รักกันเ ข, า, ข, า, ขาก็ชอบเขาก็เขาก็จะบอกว่าพระอาจารย์สอนให้รักกันแต่ก็บางทีก็เถียงกันก็เดี๋ยววสติสติยังมีน้อยไม่พอที่จะหยุดใช่ค่ะ หนูรู้ตัวเลยเออเดี๋ยววันวันพักไปใส่บาทนะคะวันอาทิตย์ค่ okay, ะโอเคสาธุ <Okay. S 1> คุณยินดีต่างยินดี Kansas USA สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ลูกไม่มีคำถามค่ะเข้าอากาศฟังทมกับเพื่อนเพื่อนทุกๆุท่านค่ะแล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอลซองเต้ค่ะโอ <Okay, S 2> <ท>บอกขอบอคุณด้วยนะค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ โอเคไปที่คุณนวราชมาโคอยู่ที่ไหนแอนโทนน์อวานเนอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยเปิดเปิดไมค์ก่อนอันบิลไมโครโฟนก่อนค่ะค่ะอยู่คอนแลนด์ค่ะพระอาจารย์มาครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกค่ะอือ ลูกชายนะใช่ครับชื่อชื่อตะวันเหรอใช่ครั บ, ร บ, บครับมอมฉากรามอาจารย์ครับเอมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่ามัมเป็นลาบทําไมเรามีนิพางครับว่าหมได้ไห ม, ไมเข้าใจงดไหมได้ทําไมเรามีนิพางครับทําไมเราจะไปตรงนู้นแ้าเราจะตายครับเออทำไมเราจะไปะ ท, ทไไปี่พานะ น่ะเขาถามว่าทําไมถึงทำไมเราถึงมีพันิพาณครับอ่าก็พันิพานก็เป็นเหมือนกับออสเตรเลีเหมือนกับอเมริกาที่เราสามารถไปอยู่ได้เวลาที่เราไม่มีร่างกายเนี่ยเราต้องไปที่ที่ที่เราเราไปอยู่ได้ก็มีอยู่หลายที่นิพาณก็มีสวรรค์ก็มีนรกก็มี ี่ยที่ไปที่เราจะไปกันถ้าเราเวลาที่ร่างกายเราไม่มีแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายเข้าใจไหมรเราเป็นรเราเป็นยูเซอร์ของร่างกายเนขะ้าใจคําว่า User ยูเซอร์ไหมใช่ครับโอเคเวลาร่างกายนี้ตายไปยูเซอร์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายยูเซอร์ก็ต้องไปไปหาที่อยู่ใหมท่ที่อยู่ของยูเซอร์เราเนี่ย yeah, ก็ต้องไปยิปาน ไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยมันมีให้ที่ที่จะไปไหลายที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเราตีตัวเราทําวีซ่าไปไปประเทศไหนหรือเปล่าเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องไปทาําวีซ่าก่อนใช่ไหมรู้จักวีซ่าไหมออันนี้ก็เหมือนกันวถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องไปทําวีซา่าตีเจะไปได้ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปทําวีซา่าถ้า อ, าอ้าเราอยากจะไปนรกเราก็ต้องทาวีซ่าวีซ่าคือการกระทําของเราเข้าใจไหมเวลาเวลาทํ า, าทดีแล้วก็ทาวีซ่าไปสวรรค์ไปนิพพานเวลาทําไม่ดีแล้วก็ทําวีซ่าไปนรกเข้าใจไหมใช่ครับโอเคมีมีอีกคำถาไมไหมลูกเออช็อต ถ้าเราอยู่ที่นิพพานล้วก็อยู่ตลอดไปตรงนูนไม้หรือว่าไมไม่ไมตลอดไปตลอดถ้าเป็นนิพพานนี้ไปอยู่ตลอดแต่ที่อื่นยังต้องกลับมาเกิดใหม่ยังต้องกลับมามีร่างกายใหม่แต่ถ้าไปนิพพานพแล้วไม่ต้องกลับมามีร่างกายใม่ไปสวรรค์ก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวพราะเขเวลา <c oughs> เขาก็ปล่อยให้เรากลับมามีร่างกายใหม่มาเกิดอย่างนี้มาเป็นลูกแม่อะไรถ้าไปที่อื่นต้องกลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าไปนิพพานเราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ทำไมถึงไม่เกิดใหม่เพราะว่าเกิดแล้ไม่ดีเข้าใจไเกิดแล้วต้องกินต้องต้องดินน้นรนหาราหารกินทุกวันใช่ไหมต้องหายใจต้องคอยป้องกันร่างกายมีแต่ปัญหาต่างๆมีแต่ความวุ่นวายเวลามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายสบายกว่าใช่ครับ คนจะหลาดก็เลยเลือกไปนิพพานกันพระพุทธเจ้าว่าสาวของพระพุทธเจ้าก็ไปนิพพานกันไปนิพพานแล้วสบายไม่ต้องมีร่างกายถ้ามีร่างกายต้อต้องคอยมาดูแลร่างกายอืมใช่ยครับมีอีกคำถามไหมลูกหนูมีเขามีทั้งหมดสามคำถามครับคำถาม<ๆ>มาันแบบมันแบบไม่ใช่ใช่มอง สูบุรีไหมหรือว่าไม้บา่าปครับบุรีไม่บาปแต่เรอ ย, อย่าสุบมากเกินไปสุบมากมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ถ้าสูบมาแม้วม ว, มวนสองมวนนี่ก็ไม่เป็นไรบุรีนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นเหมือนกับสุราสูบบุรีแล้วยังมีสติอยู่แต่เดิมสุราเดี๋ยวมันหมดสติพอไม่มีสติแล้วบางทีก็ทําอะไรเสียหายได้ แต่ถ้าสูบบุหรี่นี่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้ทำให้เสียสติกาดสติจึงไม่ห้ามพระพระสมัยก่อนเป็นธรรมเนียมเวลาญาติโยมนิมนต์พระไปที่บ้านเขาก็จะมีหมาพลูบุหรี่ให้ถวายพระแต่ก็บอกว่ามันไม่เหมือนคนสมัยนี้ไม่รู้จักหห้ามจิตใจเพอสูบบุหรี่แล้วติดแล้วก็สูบมากเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ กิดโรกปอดโรกมะเร็งขึ้นมาแต่ถ้าสูบแค่พอประมาณแค่วันละสองสามวนนี่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรสูดได้แล้วเข้าใจแล้วยังหนูอยากจะสูบบุหรี่แล้วง ม, ม, มากง่ายจัถามทําไมอ่ะเอ่อมองแค่เป็นล่าช้อนรู้อย่างเดียวคนลอเห็น้าสูบบุหรีแแ่แล้วไม่เข้าใจใช่ไหมบุญาบญาใช่ไหมบุญญาสูบบุหรี่ เอ okay. าใช่คุณย่าของชูเ่ยคุณน้าสุ่ยถ้าถ้าสูง ม, มากมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะยานะใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นโรคปอดทุบนมแล้วก็จะตายเร็วคนที่สูบบุหรี่นี้ตายเร็วคนที่ไม่สูบบุหรี่หมายถึงคนสูบ ม, มากๆนะแต่ถ้าสูบน้อยๆวันละสองสามมวนนี่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีผลก็นะค่ะ หนีอยากหนูหน้อยคำถามเกี่ยวกับที่โรงเรียนนะลูกเวลาที่เพื่อนทําอะไรให้ไม่ไม่พอใจหนูอยากถามอ่ามอยพระอาจารย์ไม่รู้มอยจดจะรู้อ่ <laughs> <laughs> คือเอเดี๋ยวถามแทนลูกชายได้ไหมคะพระอาจารย์อ้าวเลย <c oughs> ก็คือปกติเวลาที่เขากลับมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามเขาว่าที่โรงเรียนมีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เขาเกิดโทรศัพท์ เพราะว่าเพื่อนมากแกล้งแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็มีบางครั้งที่เขาบอกว่าผมวันนี้ผมชนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปตอบโต้เขาแต่ก็มีบางครั้งที่เข า, เาหลุดแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ส่วนโยมเองก็เลยเคยแนะนําเขาไปบ้างว่าคุณจะทําอย่างไรแต่อยากเอาถามคําที่นี้จากพระอาจารย์ว่าถ้ากรณีแบบนีเ้เขามาถามโยมนี่เขาคุณจะตอบเข้าไปว่าอย่างไรอะคะพระอาจารย์เวลาที่เขาหลุดนะ ใช่ค่ะหมายความว่าออมีเพื่อนมายั่วหรือว่าใช้คำพูดที่แบบเหมือนเป็นการดูถูกหรือว่ายั่วโมโหแบบนี้ค่ะออแล้วเขาควรที่จะทำอย่างไรค่ะก็เราเราก็ต้องอย่าไปถือสาเขาเลยอย่าไป <c oughs> คือเราห้ามเขาไม่ได้เขาได้ไหมเราห้ามเขาไม่ให้เขาพูดไม่ดีกับเราไม่ได้แั้เราก็ต้องทาใจเฉยๆทาใจเฉย ไหวให้เขาว่าไปไหวให้เขาแกล้งไปอะไรไปเพราะว่าเราไปไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่มาแกล้งเราเราก็จะโกรธเขาถ้าเราไม่อยากจะโกรธเราก็ต้องทําใจเฉยๆียดว่าเขาเป็นเขาเป็นเหมือนกับอดินฟ้ากันดูจากดินฟ้ากันไเหมือน snow เหมือนธีม่าเหมือนฝนเนี่ยฝนจะตก อีกจะลงนี้เราไปห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องหัดอยู่กับมันไปน่นถ้าทำใจเยือเวลาใครก็ทำอะไรที่เราไม่พอใจไม่ happy. แฮปปี้ล้วก็ทำใจด้วยกันนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เขาทำแล้วถ้าถ้าเดินเดินหนีได้ก็เดินหนีไปอย่าไปอยู่ใกล้ อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนแพ้นะที่เรา ต, อตอนน้องหนีเขาที่หนีเพราะว่าเราไม่อยากจะไปมีเรื่องมีราวกันการมีเรื่องก็เจ็บตัวได้กันทั้งคู่ใช่ัหมอฉนนี้เอตอ น, น, ตอ น, นีนราหนีหนีเรื่องราวที่มันหนี้นีเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายกับทั้งเราทั้งเขาอนนี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็น เป็นการแพ้หรื อ, อะไรเป็นเป็นความชนะชนะความโกชัวเราใช่ครับระชาเวลามีอะไรใครก็มาพูดอะไรไม่ดีถ้าเราเดินหนีได้เดินหลบได้แล้วก็หลบไปในใจเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะถามอะไรไหมใช่ไหม ค่ะกะ็ตอนนี้ลูกชายก็คือฝึกให้เขาสวมดมนต์ไหว้พระค่ะพระอาจารย์เช้ า, ช า, ชาเย็นก็ทามสมาธิตามอายุค่ะเขาอายุ9เก้าขวบก็คือเช้าเก้าเก้านาทีแล้วก็ตอนเย็นเก้านาทีค่ะเราก็เดินจงกรมภายในบ้านนะคะพระอาจารย์ดีฝึกไปจะได้มีสติมากขึ้นวเวลา ใ, ใครก็ทำนะไรเราก็จะเฉยเฉยได้ แล้วก็โดยเฉพาะจะเน้นย้ำเรื่องสินค้านะคะให้เขาท่องให้ได้ตอนนี้คือก็ก็ก็อกินข้าค่ะแต่สินแปดยังบนไว้าหิวข้าวอยู่ยังยังไม่ถึงเวลาไม่ยังไม่จำเป็นยังไม่ทิ้งจำเป็นค่ะนอกจากนอกจากเขอยากจะรักษาก็โอเคถ้าเขไม่อยากจะรักษาก็ยังไม่ต้องไปบังคับมันนะค่ะเดี๋ยวจะเครียดไปใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็คือ เดือนอมเมษาโยมเนี่ยค่ะก็คือลูกชายเขาปิดเทอมปิดเทมอมช่วงฤดูใบไม้ผลิสองสัปดาห์แล้วก็โยมจะพาลูกชายกับกับกับสามีไปไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดทางอุดอรนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะพาลูกชายนะคะไปปวดเดนด้วยนะคะ่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าควรจะต้องเตรียมตัวเขาอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งอายุเ ก, ก้าขวบนะคะก็เตรียมตัวอย่างที่เตรียมอยู่นี้ก็ดีแล้วค่ะ ถ้าก็อยากจะไปบวชเนงเก็ต้องหันอดข้าวเย็นอดข้าวเย็นใช่ไหมคะเพราะคนเอก็ไม่ให้กินข้าวหลังเที่ยงวัดไปแล้วค่ะที่นีถึงเที่ยงวัสองมือ breakfast and lunch no dinner ค่ะแล้วก็หนูสอบถามจาทางวัดนะคะท่านบอกว่าให้ท่องบทคำขอบวช ด, ด้วยค่ะตอนนี้คือเดี๋ยวจะต้องเริ่มฝึกท่องแล้วค่ะเพราะว่าใกล้เวลาเข้ามาแล้วใช่แบบอีสาหังาพรอาจารย์ ไม่สร้างพันเตนสุเจละอะไรค่ะได้ค่ะแล้วก็สินสิบค่ะสินสิบเออสินสิบสินห้าท่องได้อยู่สักสินห้าท่องได้อยู่สินสิบก็เหมือนสินแปดเนี่ยสินค่ะอืเหมือนกันก็ดีก็ทราบไหมเปิไว้ก่อนก่อนเะใกล้กจะบวชก็ก็ลราอยาอยากกินข้าวเย็นจะได้ปรับตัวได้ค่ะสัาพอากาศอะไรงี้ยนะคค่ะค่ะ หนูจะถามไหมว่าเอาตุ๊กตาเข้าไปเพิ่มเอ่ถามไหมไม่ต้องถาค่ะค่ะไปอยู่ที่ น, นานๆแล้วเหรออ่าโยมมาตั้งแต่ปีสองพันสองพันแปดค่ะพัชานี่ก็สิบสามสิบสี่ปีแล้วค่ะอืค่ะได้กลับบ้านอยู่ด้กับเมืองไทยช่วงช่วงโควิดไม่ได้กลับเท่าไหร่ค่ะก็กลับไปปีที่แล้วเพราะว่าคุณพ่อป่วยแล้วก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วค่ะ แล้วก็ปีนี้โควิดเริ่มซาใช่ไหมคะก็เลยถือโอกาสพาทั้งครอบครัวไปไปไปไปกราบคุณคุณยายค่ะแล้วก็ไปไปปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะทั้งครอบครัวไปวัดปลาแล้วเปล่าที่จะไปปฏิญาณค่ะที่วัดตลาหนองแซงค่ะกับหลวงปู่เสงเออหลวงปู่เสงคือตัวโยมเองเคยไปมาแล้วค่ะแล้วก็ติดใจแล้วก็อยากไปมันคือหลวงปู่บัวใช่ไหมหลวงปู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเคยไปอยู่เคยไปครั้งหนึ่งหนึ่งค่ะ ที่สมัยที่เราอยู่วัดปามันตาแล้วก็เคยไปที่ไหนขน้างหนค่ะค่ะที่หลวงตาท่านบอกว่าพ่อมันตายแต่ลูกยังอยู่คํานี้ค่ะหนูก็เลยก็เลยตามพักตามหลวงตาไปค่ะไปกราบตรวงปู่เซนค่ะเป็นคนอุดรนะหนูไปคนโยมไปคนชนบุรีค่ะพระทราชนบุรีแล้วไปรู้จักรวันยันได้ไหม ก็พี่ชายค่ะพี่ชายเคยไปเป็นปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เกิดศรัทธาค่ะอืก็เลยไปพอไปปุ๊บติดใจเลยค่ะพอไปปุ๊บก็ติดใจครับมีที่ปฏิบัติทั้ง<ะ>ชายทั้งหญิงมีค่ะก็คือท่านสร้างกุฏิแยกไว้เป็นอาจจะเป็นกุฏิที่เป็นเป็นหลังๆก็ได้หรือว่าเป็นอ่าเป็นห้องปฏิบัติธรรมที่แยกกันของผู้ชายกับผู้หญิงค่ะพอาจารย์นีอ่านี่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ญาติโยมอาจจะในบางทายบางทีขายากจะหาที่ปฏิบัติเข้าไปได้ วัดป่าหนองแสงใช่ไหมวัดป่าหนองแสงใช่อุดรธานีใช่ค่ะแล้วก็พระอาจารย์ลุงปู่ท่านเมตตา ม, มากค่ะแล้วก็ลุงปู่เซง น, นี่ด้านยู่งมากนะตันนี้ปดสิบแปดแปดค่ะแปดสิบแปดแปดสิบเก้าค่ะดโอเคมีอะไรไหม ขอเป็นคําถามสุดท้ายค่ะพระาอาจารย์คือหนูไม่อยากจะรบกวนพระอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเกงใจทึานลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แบ่งกันได้เลาคือคือโยมไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะแล้วก็โยมปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็คือเดินจงกรมสลับกับเอ่อเอ่อนั่งสมาธินะคะแต่โยมทํามาหลายปีแล้วโยมไม่เคยเข้าถึงออัปปนาเลยค่ะพระอาจารย์โยมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาจจะพร่องอะไรไปหรือเปล่าไม่หรอกเพราะว่ามันมันสติยังไม่พอ แล้วเราต้องพยายามให้มีสติอยู่ต่อเนื่องอย่าอย่าคลัง่งอย่าเพล่ถ้าเราไม่เดินจำกองเราก็ยังต้องทำชัดมีจลางสติต่อไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวด้วยร่างกายเราทําอะไรเราต้องคอยมีสติดูร่างกายตลอดเลยนะค่ะไปทํากับข้า ว, วาเรามีสติอยู่ในการทำกับข้าวอะไรทำเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปอย่าปล่อยให้คิดถึงอดีตถึงอนาดคตให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับงานที่เราทํา มันต้องมันต้องต่อเนื่อไม่ใช่เอาแต่เฉพาะเวลาเดินอย่าวมันั่งสมาธิเวลาอื่นไม่ไม่ไม่ฝึกสติเลยไม่ได้มันต้องาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมารูปขึ้นมาก็มีตั้งสติก่อนนะตอนนี้น่างกายอยู่ตรงไหนนั่งหรือยืนเดินหรือทําอะไรต้องให้อยู่กับร่างกายหรือจะใช้คำวิก ร, รกรรมพุทโธพุทโธกลับกลับไปก็ได้ต้องทํามีทั้งวันทั้งคืนเลย อันนี้ถ้าทานี้ได้โอกาสที่จะเข้าเข้าสมาธิได้มันจะมีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายนะแม่แม่แต่เป็นเป็นท่านบวชนี่มันยังเข้ายากหลวงตาหมาบวชถ้าบอกท่านบวชเป็นพระหกปีตอนนั้นท่านยังเรียนหนังสืออยู่แล้วมาจิตโยนให้แค่สามครั้งนี่ค่ะฉันก็อย่าไปหวังมากอย่าไปหวังมากเดี๋ยวมันจะท้อเพียงแต่ทาให้ใจมันเย็นให้มันสบายไม่ฟุไม่ฟุ้งซ่านก็ถือว่าโอเคแล้ว เวลาเรามีความคุ้งชาติแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งับดับมกันได้ก็ก็ถื<า>อว่าใช้ได้นะค่ะแตให้มันรวมนี้อาจจะต้องไปบวชแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรอยงี้คือยังไม่ถึงขั้นต้องไปบวชชีใช่ไหมคะฝึก อ, อ, อยู่ที่บ้านก็อับปนาได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราไม่คุยไม่คิดก็ได้แต่เราต้องคุยคนนั้นคุยกับคนี้คุยกับเรื่องโลกอะไรมันยาก เวลาทองจะเป็นช่วง8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงช่วงที่ลูกไปโรงเรียน อ, อช่วงที่เราอยู่คนเดียวใช่ค่ะเราลองทำดูมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกมันบางทีอยู่ที่บุญเก่าของเราด้วยมีมากมีน้อยติดตัวมาค่ ะ, คะเพราะว่าโยมสังเกตตัวเองว่าโยมเนี่ยจะหนักไปในทางคิดวิเคราะห์หาอุบายอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าสมาธิสติคิดว่ายังยังด้อยอยู่นะคะอาจารย์อย่าเพิ่งตอนนี้อยุดคิดอยู่วิเคราะห์ได้นะ่ เราจะรังสติตทำให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารูกดี่ตาเพราะตัวคิดเนียวิเคราเนี่ยเปนตัวที่ความอัปนาสมาธิค่ะแล้วยมถามได้ไหมคะพระอาจารย์อยงเกรงว่าจะเป็นการละลาบละหลวงนะคะว่าครั้งแรกที่พระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วได้อัปนานี่ตอนพระอาจารย์ฝึกปฏิบัติเองที่บ้านหรือว่าหลังจากที่บวชแล้วนะคะฝึกที่บ้านเองฝึกที่บ้านอยู่ปีนึ่งตอนนั้นคือพระอาจารย์ค่ะ ก็ตอนนั้นพอดีนั่งแล้วมันปวดเจ็บนก็เลยใช้คําบริกรรมเอาบริกรรมไปถ้าพักมันจิตมันก็รวมมันก็สงบหนิ่งนี่มันมันอาจจะเป็นความบุญเก่าของเราก็ได้เรารูสึกว่ามันไม่ต้องทําอะไรมากบริกรรมเปียงเดี่ยวเดียวมันก็ลงไปตอนนั้นเราก็ไปดูวอัปปนาสมาธิหรืออะไรเป็นอะไรแล้วเรารูดถึงนะว่ามันเจ็บแล้วเรายังอยากจะนั่งต่ออะไรต้องใช้คําบริกรรมแล้วก็บริกรรมไป เราบริกรามมาอยู่ดีๆจิตมันกขัดจิตที่มันทุกข์มันมันดิ้นรนกังวลกังวายมันก็หายรลุดหายไปกลายเป็นจิตว่างสงบไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เลยว่าจะเป็นสมาธิเมื่อจิตรวมนั่นแหละก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าเอ่อเมื่อกี้นี้มันมันฟุ้งมันวุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกายแต่พอมันได้ใช้คาบริกรรมแล้วภาพที่มันมันเทกื่อนจากหน้ามือไปหลังมือไป เราจ้างก็ไม่มีใครสอนมันก็มันมันไม่ชัดมันมันทำของมันเองค่ะตอนตั้นก็นั่งดูลงไปก่อนพอดูลงไปแล้วมันเริ่มเจ็บมันดูไม่ไหวแล้วดูไม่ไหวต้องเปลี่ยนแล้วว่ากำลังเปลี่ยนเป็นคำาะไรกางแทนค่ะนั่งปฏิบัติก็ต้องลองผิดลองถูกดูเอาเองนะอย่าไปยึดตำรายอย่างเดียวเอาวิเคราะห์ตามสถานการณ์ว่าคนจะใช้อะไรตอนนี้ค่ะ อย่างเจ้าตัวเล็กนี่โยมอพอดีโยมกับสามีก็กปฏิบัติทังง่งสมาธิเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกเจ้าตัวเล็กว่าถ้าหนูทําแบบไหนแล้วสบายก็เอาแบบนั้นค่ะจะพูดโทรอย่างเดียวก็ได้หรือว่าลมหายใจก็ได้หรือว่าจะเข้าพูดออกโทรแบบนี้ก็ได้นะคะให้เขารองผิดลองดูกอย่างที่อาจารย์ว่าใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันและภาวะของจิตใจของแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันบงภาวะก็ต้องใช้คำวิธีคำจะดีกว่าบำภาวะก็ใช้ดอลองจะดีกว่านะคะ โ <Okay, S 2> นะยมมีคําถามเพียงเท่านี้คะ่ะตัวเล็กเอาไอันนี่ไหมลูกขอการบ้านพระอาจารย์ไหมลูกอืมใช่<笑>ขอสักเล็กน้อยคะ่ะพระอาจารย์<ป>การบ้านให้ไต้องอาการ12มปไปต้องอาการ12ไปผมขนเล็บปานหนังเนื้อเอ็นก็เดือรู้จักไหยอาการที่มีในร่างกายของเราเนี่ยใช่กับหมยฉันรู้ลอะไรอยู่ในร่างกายจะ่ฉันไม่รู้ล啦 ว, ว่าเป็นยังไง ชอสม่รู้และพูดในภาษาไทยได้ก็อ่านทัดได้ทัดได้แล้แล้วก็เลกถึงภาพมันด้วยผมเป็นยังไงคนเป็นยังไงเล็บฟันเป็นยังไงเนื้อรู้จากร่างกายเราดีขึ้นส่วนใหญ่เราเปจะเห็นแต่ภายนอกเราไม่เห็นภายในเราอยากจะไปเรียนรู้ว่าข้างในร่างกายเรามีอะไรบ้างใต้ผิวหนังใต้ใต้ผิวหนังใต้มีเนื้อมีเอ็มีกระดูกเป็นต้นนะอืมค่ะ พระอาจารย์คะเด็ก9ขวบเนี่ยถ้าให้ดูอวัยวะภายในแบบที่มีเลือดแบบนี้น่าจะรักไหวใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าต้องดูดูภาพเขียนกันนะดูภาพวาดดูภาพเขียนเเนาะดูภาพวาดที่นักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันมันเข้าไปในเข้าไปดูนักกูเขก็ได้นาตอมี่ก็มันจะมีภาพวาดให้ถ้าดูภาพสดๆแบบนี้ก็อาจจะยังรับไม่ได้ก็ได้ เขาต้อต้องถามว่าอยากจะดูไหมถ้าไม่อยากจะดูเขาไม่ต้องไปบอกคับครับพ่อไม่อยากดูไหมเขาบอกอยากดูค่ะ อ, อ, อาจารย์อยากดูก็ดูจะเก็บไปฝันหรือเปล่าเวลาฝันเวลามันฝันถ้ามันไม่สบายใจก็ให้พุโทโธพุโทโธทําใจให้นิ่งไปวันนั้นเขาเคยถามโยมว่าเออ่คุณแม่ครับทําไมตะวันภาวนาพุโทโธแล้ว ย, ยังฝัน้าอยู่พอาถามแบบนี้ก็ไม่รู้ตอบเพราะว่ายังก็เวลานอนไม่ได้พุทโธมันก็เลยฝัน เวลานอนไม่มีสติมันก็ฝันได้มันก็ความฝันก็คือความคิดเนี่ค่ะตอนนอนเวลานนเวลานอนนี่นอนหลับแล้วเราไปควบคุมนครับไม่ได้นะมันจะฝันอะไรไม่ปฝันอค่ะตอนนอนนิยมให้เขานึกถึงความดีว่าวันนี้หนุ่มทำอะไรบ้างทําสมาธิศูนย์โมงแล้วก็ให้ท่องพุโธถึงวิสิทแล้วก็หลับแบบนี้ค่ะแต่เขาอาจจะเหลอแล้วก็ขาดสติไปก็อาจจะติดไปได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เวลานอนหลับไม่มีสติทุกคน่ ก่อนจะนอนก็นอกจากคิดถึงความดีแล้วคิดถึงความไม่ดีด้วยก็ดีเหมือนกันไม่ดีวันนี้ผมทำอะไรไม่ดีมากจะได้แก้ไขดัดแปลงได้ทั้งทดสอบอตรวจสอบหรือทั้งฝ่ายดีและฝ่าย ไ, ไม่ดีฝ่ายไม่ดีพพยยเราก็พยายามเลิกทำสิ่งที่เราอยาไปทําำเช่นวันนี้ผมโกดเพื่อนบอกวันนี้ไม่ทําไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอัน ส้มใหม่วันนี้ถ้าเขาเพื่อนเขาทาเลยเราอย่าไปโกรธเขาเราให้อภัยเขาการให้อภัยนี่เรียกว่าเรามีความเมตตาต่อเขาค่แล้วก็พระอาจารย์คะคือโยมสงสัยนะคะเรื่องความอความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะว่าที่ฮอลแลนด์เนี่ยทางโรงเรียนก็คือครูกับเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเล่นกันหยอกกันนะคะแล้วบางที เขาไปโรงเรียนเนี่ยเจ็ดชั่วโมงบางทีกลับมาบ้านปุ๊บติดนิสัยแบบนี้มามาที่บ้านด้วยนะคะภาษาอังกฤษก็พยายามสอนเขานะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าไปครุกเคลีกับเพื่อนแล้วก็อะไรแบบนี้ค่ะก็จะปิดเข้ามาค่ะใช่เพราะทางเลยนเขาไม่ได้สอนสอนแบบทำมาคาราอันนี้เป็นเป็นของชาวพุทธแล้วซม่ต้องบอกกาว่าเวลาไปโรงเรียนก็ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นเหมือนกลับไปเล่นละครอีกโรงหนึ่งเวลากลับบ้านก็มาเล่นละครอีกอีกโรงหนึ่ง แ, <ช>แ<ต>ล้วโรงนี้ก็เล่นบทนี่เยอะอยู่โรงเรียก็เล่นบทโรงเดียไปเ<ช>ขาจะได้ไม่สับสนเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าสังคมมันมีหลายหลายแบบทางคมไทยหน้ามันอีกแบบหนึ่งของเขาอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ขัดกันก็อยู่กันได้กันได้อยู่ในสังคมไหนก็ทําตามสังคมนั่นไปค่ะอืมค่ะค่ะพระอาจารย์ ก็เขาเป็นเด็กฉลาดค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบยิ้มยิ้มติมติ่มจนแบบเพื่อนรังแกมากเกินไปแบบนี้ก็โอเคค่ะปางใจได้อยู่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ก่อนนะเนีค่ะพระอาจารย์เกรงใจท่านอื่นด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะพรอาจารย์ค่ะไปที่คุณสุพัฒนาบวเวชโลุเลตต์กล่าวรำาึกการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ฟังฟังทำพระอาจารย์มาก็เมื่อสองวันนี้ก็เจอเรื่องที่ไม่พอใจอย่างที่พระอาจารย์เทศวันนี้อค่ะคําสอนพระอาจารย์ก็ช่วยให้ทําให้ไม่ทุกข์ต่อเนื่องได้จ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทำมาพระอาจารย์ก็มันก็เข้ามาในหัวตลอดว่าอคําพูดของเขาไม่ทําให้เราดีหรือชั่วได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่พระอาจารย์สอนว่า เ อ, อะไอนะคะบังคับบัญชาเขาไม่ได้แต่เราก็คือบังคับใจเราไม่ให้ไปดูดได้ตอนนี้ก็ใช้สติพยายามเพียรสติมากขึ้นเจ้าขาอาจารย์เจอเจอตรงนี้ก็ทําให้เราเหมือนกับต้องฝึกอีกเจ้าขาอาจารย์ไม่ให้ไม่ไปพอใจแต่ก็มีมีพอพอดูนกระทบเราเรายังเหมือนกับหยุดไม่ได้ทันทีค่ะสองวันเจ้าคขาอาจารย์ ขนาดฟังทำพระอาจารย์บ่ายสองเมื่อวานกับวันนี้ก็ยังพอพอมาฟังพระอาจารย์ตอนที่ตอบคาถามคุณหมอพิเชษมันเหมือนทำให้ใจกลับกลืนมาได้นะคะพระอาจารย์สติ <c oughs> เรายังไม่ทันสติเรายังไม่ต่อเนื่ <c oughs> องกาค่ะและต้องเพียรตรงนี้อีกใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์ฝึกสติให้มากๆให้มีสติต ล, ล, ล <c oughs> อดเวลาก็ค่ะพระอาจารย <c oughs> ์อนการนะ ไปที่าอาจารย์สายทิพย์ต่ออาจารย์สายทิพย์เชิญกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่คนกันวันนี้อยู่ันกันเจ้าค่ะก็ได้พิจารณาอาการสามจุดสองแล้วก็ซ้อมอ่าซ้อมคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะพระอาจารย์เรื่องของแก่เจ็บตายนี่พอรับได้แต่การพัดลากนี่ยากมากเลยค่ะพระอาจารย์ เวล า, าตายก็พัดพากอยู่แล้วไม่ใช่เหยเพรว่ารับการตายได้ก็ต้องรับการรัดพากได้เหมือนกันแต่คุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนคิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากจะพัดภาคเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เราเ<ต>สือเราไม่ได้มีพ่อคนเดียวเรา ม, มีพ่อเป็นู้กี่แสนคนนะออ <laughs> หลายกลับหลายกันใช่ไหม<อ>คะับมีีคนหนึ่งทํามเรเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ไง แต่ว่าตอนนี้คุณพ่อก็ให้แบบฝึกหัดเรียบร้อยค่ะคุณพ่อไปไปนอนบ้านสวนค่ะพระอาจารย์คุณพ่อบอกว่าเออเรามีความพัฒนาเป็นธรรมดาซ้อมไวอ่ค่ะไปไปที่ไปอยู่ที่หลังบ้านที่ทํำนี่อะไม่ค่ะหนูมีอีกที่หนึ่งนี่เคยแผนไว้ว่าจาหนูจะสร้างแล้วก็จะไปอยู่แต่คุณพ่อไปอยู่ก่อนค่ะแล้วแต่แต่ว่าถ้าหลังส่วนนี้หนูก็มีอีกที่นึงค่ะพระอาจารย์ เอวันนี้จริงๆจะไปนั่งก็ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอยู่คนเดียวแต่ก็ยังทําใจไม่ได้ <laughs> ยังกลัวอยู่ค่ะก็เลยอ่แต่คุณพอ่อจะติดไฟอะไรให้ก็คิดว่าถ้าติดไฟแล้วอาจจะไปไปอยู่บ้างค่ะพระอาจารย์ยัไปติดเลยตอนนี้ที่ภาวนาไม่ต้องไปติดมันหรอกไม่ได้ใช้ไฟเอ า, อาไปใช้ไปอันนี้ก็พอราคาตอนนี้ นัดช่างแล้วค่ะพระอาจารย์คุณพ่อคงเป็นห่วงวแล้วก็เรามีข้ออ้างนิดนึงว่าโอ้ยบางทีมันร้อนอยากได้พัดลม <laughs> ค่ะมีข้ออ้างค่ะพระอาจารย์แต่ก็ ก, ก็คงอ า, าจะอาจจะติดอยู่ค่ะพระอาจารย์เผื่อคนอื่นไปไปใช้ด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะว่า ถ, ถ้าใช้ปฏิบัติเขาไม่ก็ไม่ใช่หรอกเวลาพาไปทวดดงเถ้าไม่เอาพัดลมไปด้วยถ้าไม่เอาไฟฟ้าไปด้วย เออทำไงดีด เ, งเราจะไปปิด เ, เราจะไปปิดวิเวกไม่ใช่วิเวกแล้วเอาในความสะดวกให้ตัวเองด้วยติดไว้งั้นไม่ใช้ได้ไหมคะพาาาัดอาลคุณพ่อตั้งใจซื้อกองมาแล้วได้ถ้าก็จะติดแต่เราอย่าไปใช้มันก็แล้วกันค่ะงั้นหนูจะไปพยายามที่จะไม่ใช้แล้วก็ถึกไฟฉายไปค่ะพัะตาลอยู่แบบอยู่แบบไม่ไมือยู่กับอยู่กับธรรมชาติคิดว่าไฟดับก็แล้วกัน อือค่ะตอนนี้ทางตรงกลมก็เรียบร้อยค่ะพู้อาวุโสก็ไปเดินบ้างอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําเต็มที่เท่าไหร่ค่ะพู้อาจาโสอบรรยากาศมันดีกว่านะว่าบรรยากาศถ้ามีไฟฟ้าแล้วมันมันทําให้มันมันไม่ค่อยสังัดจไม่ค่อยน่าหวาดเสียวแต่แบบแบบไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันแบบมืดๆหน่อยมันสิจะทําให้เรามีสติมากขึ้นมืดๆอยู่นะคะผู้อาจารสง่ายเ มันพ่อออกไปแล้วมืแล้วพราะให้ผมเห็นทางเดินเราได้ก็พอแล้วเสื<ม>่อมรอบๆให้มันมืดค่ะเพราะว่าทางเดินเป็นตีข่าวอยู่ค่ะส<ม>้านเป็นซีเมนต์น้องชายทําให้เ<ม>งียบเงียบอยู่ค่ะแต่ว่าก็มองเห็นเห็นบ้านที่เขาปิด เ, <ม>เขาอยู่อยู่รายรอบแต่เขาก็เงียบๆเข้าบ้านกันหมดค่ะฟ้าซานไม่ใช่ไปติดไฟสว่าันที่ที่นั่งอยู่ในห้องอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มนุษยากาศของการปฏิบัติ ตอนแรกก็เอ๊วันนี้จะไปนั่งอะไรดีไหมนะเพราะว่าคุณพ่อก็บอกว่าตามใจค่ะพอาจารย์คุณพ่อก็คงไม่ไม่แบบแตกปฏิบัติปรทําเลยอะไรเงี้ยต่างคนต่างทําสิ่งที่เตงชอบอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หนูก็ช่างใจเอาอะไรดีไม่น่าไม่ชนะค่ะพรอาจารย์นี <c oughs> <c oughs> กลับกลับขึ้นห้องนอนดีกว่าช่ากลัว ก็เลยเอาเอาใหม่ค่ะอาจารย์วันนี้คิดปาเต็งไม่พร้อมค่ะก็เลยเดี๋ยวตั้งหลังใหตั้งค้างตั้งหลังจะพร้อมแล้วเมงบุหลังจะถ้าวันนี้ไม่พร้อมแล้วเมงบุหลังมันจะพร้อมไงมันจะพร้อมเมื่อมันก็ลองพร้อมวันนี้แหละวันอื่นมันไม่มีหรอกเดี๋ยวพวกนี้มันก็เป็นวันนี้อีกอ่ะก็อ้างค่ะอาจารย์นักปฏิบัติมันต้องกล้าหาญโดดเดียวเดินเดี่ยว ตายเป็นตายนิพพานอยู่ฟากตายเข้าใจไหมมันท่องคาถานช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ยอมตายไปไม่ถึงนิพพานถ้ากลัวตายไปไม่ถึงนิพพานค่ะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยค่ะวันนี้แพ้อย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเอาใหม่ค่ะแต่ว่าไอตอนที่ซ้อมคิดนี่ก็ เห็นว่าใจมันก็บังคับไม่ได้นะคะภราจารย์เลยเอใจเราถ้าเราฝึกไม่ดีมันก็ไม่ใช่ที่พึ่งของเราได้เลยได้เราควบแน่นแล้ว่าฝึกกันเนี้ยเพิมาฝึกแล้วก็กลุมใจเราให้มันสงบไม่ให้มันอยู่อยู่ใต้อํานาจของกิเลยนะก็คือที่พึ่งทางใจก็คือจริงๆแล้วคือความสงบของใจใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่คือธรรมะต้องมีธรรมะถึงใจถึงจะสงบได้ ทำไมปลึกสตินั่งสมาธิมีการปัญญาเหมือนถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็ก็กับทุกเลยะค่ะพระอาจารย์ก็ตัวกิเลสหลุมนั่นถ้าไม่มีสติ <laughs> ไม่มีปัญญากิเลสก็หลุลมลใช่ค่ ะ, ะตายไปเลยอ <laughs> ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็ ก, ก็ก็สบายสบายไปเรื่อยแต่พอมาก็เห็นว่าเอ้ยบงใจที่มันทุกข์นี่บางทีมัน มันก็มันเหมือนแบบอ่าเราเราให้ตัคุณหาตเองว่าอ้เรื่องความพัดพลาดอะไรเงี้ยส่ะพัดาจิตจิตมันก็มันก็ก็เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหมือนใจมันเต้แ <S <S าแป้วอ่ะสัดพลาดก็คิดบ่อยๆเนี่ยคิดอยู่เนี่ยรวมพลความพัดพลาดจากกันไปไม่ได้ค่ะเราก็พยายามสอ<ๆ>มันไปเรื่ยๆเนี๋ยมันก็ยอมรับเองค่ะแล้วฝึกสมาธิด้วยให้จิตเปน็นอุเบกขาแล้วมันก็จะรับได้ค่ะเราจะพยายาม ทำไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เห็นแล้วว่ามันมันมันทุกข์แล้วก็ต้องต่อักับมันแล้วก็ต้องฝึกไปห้มันเยอถ้าเราไม่ยอมรับมันเราก็จะทุกข์ถ้าเรารับมันเราก็จะหายทุกข์โอเคนะวันนี้ อันนี้กาจัดเวลากำเนินเวลาไว้หน่อยคันได้ใร้คนเดียวเขาได้พูดค้าประจํานะมันน้องพูดมากนะเสร็จจะพยายามปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์โอเคคบไปที่ประเต่อใในเวลายูเอสเอกลบมสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะก็ก็ก็ ก็พยายามสึกจิตจิตก็แพ้ไปหลายยกเมื่อคืนเหมือนกันค่ะเพราะเป็นแต่พวกแพ้หมูนี้เมดไม่มีกา <c oughs> มัน <c oughs> มีเมนื่องชนะมาเล่าให้ฟังบากเลยไม่รู้มันแพ้แค่เรื่องลูกเนี่ยค่ะโดนชกแบบเสยปั้นกับปั้นใต้คางแบบยมลงไปสลบคอคุ <c oughs> <c oughs> มันไม่รอดเลยค่ะต้องแบบว่าโอ้ตายแล้วแต่ว่ามันก็กลับมาเร็วอยู่เหมือนกันมันก็เร็วขึ้นค่ะแต่แบบ เจอบททดสอบนลยมยรายยนต์ย้ายนับสิบก็แล้วกันรีบลุกขึ้นมาก่อนอ๋อหนุนยอมตอนนี้นับแปดอยู่ค่ะดเดี๋ <laughs> <c oughs> ยวคราวหน้าจะให้เหลือนับห้าค่ะพระจ้าเยค่อยฝึกแล้วตาหลังจะได้ไม่ต้องล้มเลยชกมาเลยชอกอาเลยยอมหน้าปูดหน้าบวามเอาเลยจะไม่ล้มแล้วค่ะก็จะค่อยๆฝึกค่ะพราจย์ ออย่าคอออ่อยๆธรรมะธรรมะอย่าค่อยๆฝึกต้องเอาเลยเอาเยอะๆเลยเอาเลยค <c oughs> ุณยงก็ขนําอยู่ค่ะแบบว่าโอเค<ม>พิจารณาความตายเอาแม่ก็ไม่ค่อยสบายก็แบบไปสอนแม่อะแม่เราต้องมาพิจารณาความตายแล้วพ <c> อ <oughs> สอนแม่ไปเสร็จมานั่งมานั่งมองตัวเองเอ่อแล้วเราได้ไหมว่าเอาไปสอนแม่เราเนี่ยเราได้ไหม <c oughs> ออก็แบบว่าก็ก็ก็เห็นพยายามมองเหมือนแต่ถูกใจคําที่อาจารย์บอกอะค่ะบอกกับอาจารย์สายที่ว่าเออพราะเรามีตั้งหลายคนเป็นแสนเป็นล้านคนยมก็อืมใช่มันโดนมันจุกเขาเลยอืมแล้วลูกเราก็คงต้องมีหลายแสนหลายล้านคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราทิ้งมาต้องแยกแล้วกลายคนเดียวไั่ได้จะทิ้งไม่ได้จะแยกกันไม่ไดจะจากกันไม่ได้ค่ะยมก็ว่าอืม แต่ของโยมนี่เวลาเขาโดนลุมนี่มันลุมมาสองคนไงคะ่ะพร้อมกันพี่น้องเราเอาทีละคนได้ไหมแม่ขอทีละคน ม, มาพร้อมกันแม่รับไม่ทันไม่มีอะไรคะ่ะศาสตรโ์โอเคงั้นโยมโยมก็ฝึกไปละกันคะ่ะ ไ, ไม่พยายามแล้วนะเพราะมันคือมันมันทําอยู่แหลคะค่ะแต่ว่ า, าแล้วเล็กซึงบ่อยๆคลาดตายคลาดพลาดจากกันแล้วต่อไปใจ่ายมันก็จะรักได้ ค่ะค่ะแล้วมก็คิดพยายามเอาแบบนี้ยล่ะค่ะว่าเออเราผ่านเมื่อ่ี้มันเป็นละครฉากหนึ่งเดี๋ยวชัดน้าถ้าเรายังเวียนไหวใจเกิดอยู่ก็เป็นอีกอีกโรงละครหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เพยก็ก็เอาเอาคําคิดนี้มาให้มากๆค่ะอ่าไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์พะอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะขอบพระคุณค่ะกัสดคอ่าไปที่คุณเดซียาคุณแม่สงขาใช่ไหมสงขานะ อ่าด า, าะะร า, าที่ว่าคะคารที่ว่าเกรอำอะไรนีพระอาจารย์ค่ะอําเภอแวงค่ะพระอาจารย์ อ, อยู่ชายแดนเลยค่ะอ่ะอะอาแหวงกลับไปถึงบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเอ า, เอาโยงกอ น, นะคะออ <c oughs> ตอนที่เมื่อวานมาถึงสนามบินนะคะมันจนเจียนมากเลยเพราะว่าผู้โดยสารเยอะใช่ไหมคะมแต่ว่ามันมันแปลกตรงที่ว่า ไอ้ความรู้สึกตุ้มตุมตมตอม อ, อ, อย่างที่เคยเป็นเน่ยมันไม่มีนะคะ<ช>แล้วจนแล้ว<ช>มันจะหายไปแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกกระวนก็วายแล้วเฉยๆค่ะแล้วก็พอถึงเหลือเราหกคนสุดท้ายที่เขาเรียกให้ไปขึ้นไปไปเข้าไปเช็คอินต่างหากเพราะว่ามันมันกลัวจะไม่ทันนะคะความอาการที่ว่ากังวนกร็วายแล้วก็ร้อนรนมันไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะ พอผ่านเข้าไปปุ๊บการเดินนี่ยเราก็เร่งเพื่อไปที่เกตแต่เดินไปก็คือพุโทโถพุโทโธพุโทโธไปทุกย่านก้าวเอ้ยมันตามมาด้วยจากการเดินจงกรมพุทธโถพุทธโถพุทโธโอ้โหนไอความที่ร้อนลนกระวนกระวายมันไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตอนที่นั่งเครื่องอะค่ะตอนที่นั่งเครื่องบินก็มองติดหน้าต่างก็นั่งมองไปข้างนอกมองไปไกลๆแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเฮ้ยอยู่กับความว่างได้ด้วยค่ะมันมองไปที่นอกหน้าต่างมองที่ไปที่ปฟ้าไกลๆ แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรมาหลอกไม่มีอะไรมาฟุง้งมันนิ่งไปเฉยๆอยู่พอรู้สึกตัวเอ๊ยมันคือความว่างได้ด้วยค่ะอาจารย์รู้สึกพ่าจิตเราสงบไปจิตเราไม่ได้หิวโหยกับรูปสิ่งกินแล้วมันก็เอยู่กับความว่างได้ใช่ค่ะอมันมันแปลกใจค่ะที่เราพยายามแทบเป็นแทบตายสิบสามวันสิบสี่วันมันไม่มาให้ชื่นใจเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยได้ด้วยประมาณนั้นซึ่งไม่คิดว่ามันจะ มันจะเป็นไปได้อ่ะค่ะ yeah. Yeah, nice. อมันมัน <Yeah. S 2> มันมันค่ะมันชอบมากเลยค่ะแล้วก็พอขับรถพอมาถึงสนามบินพ่อบ้านก็เอารถไปรับ <laughs> แต่พอเปลี่ยนกันขับแต่โยมจะเป็นคนขับเองอะค่ะ mm hmm. ขับแล้วลูกคุยแบบว่าลูกคุยนะแม่จะขับรถมันไม่ชินกือการทำงานสองอย่างไปแล้วกัน <laughs> ว่าเราเราเราจดจออยู่การขับรถ mm hmm. แล้วก็ด้วยค่ะ hmm. ก็คือแบบไม่คุยด้วยไม่ไม่ไม่คุยนะแม่จะขับรถแล้วก็ปกติถ้าคนขับโยมเป็นคนขับรถแล้วโยมชอบดูก้อนเมฆชอบดูดวงดาท้องฟ้าค่ะจะต้องคอยมองแต่คราวนี้เฮ้ยมันแปลกใจค่ะอาจารย์ตัวที่ว่าขับรถมองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเออเนาะมั น, มนเปลี่ย น, ม, น, นมันเดินจงกลมนะมันเดินจงกลมใช่ใช่ใช่กัประมาณนั้นเฮ้ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนโอ้ดีจังเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิบสามวันที่ผ่านมา ไม่ไม่เสียชื่อเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วล่ะค่ะยศทําต่อนะอยู่ที่บ้านก็พยายามทําต่อค่ะวันนี้ก็ยังมื้อเดียวอยู่ค่ะอาจารย์แฮกปี้เลยแต่สติเนี่ยฝึกต่อไปแล้วเดี๋ยวลตาขึ้นมาก็ฝึกสติต่อไปใช่ค่ะจะพยายามค่ะจะพยายามอย่าให้มันหายไปมันหายได้นะถ้าเราไม่ทําต่อใช่ค่ะก็เลยเกิดกลัวว่าเพื่อนเขาจะราคาญเราเพราะปกติเป็นคนพูดมากใช่ไหมคะแล้วก็ วันนี้ก็นัดเพื่อนกันไปวัดบนที่สุขีลินค่ะไปแล้วเพื่อนก็ยังคุยจ่อเหมือนเดิมเราเริ่มเกงใจเอ๊ะเราเริ่มผิดปกติไปหรือเปล่าเราเราคุยกับเขาน้อยลงแล้วก็ <m> ตอนที่ตอนที่กินข้าวตอนที่กินข้าวกับเขาใช่ไหมคะแปลกใจว่าเราเรากินข้าวเราจอดจอดอยู่การกินข้าวเราเราไม่เหลือบมองเพื่อนมันกลายเป็นความคุ้นชินแค่สิบกว่าวันนี้มันมันได้ขนาดนี้แล้ค่ะจารยบยมแฮปปี้กับมันมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาส มีโอกาสจะประโยชน์ที่ร้านนั่ที่ที่ที่เกิดจากการได้ไปปิดวิเวกได้ไปเล้วจิตใจมันใช่ค่ะแต่เจ็ดวันที่ผ่านมาที่เคยไปเจ็ดวันมันไม่ได้อะไรค่ะแป๊บๆ๊จะไปเดียวแป๊บเดียวไปเดินร่อมันสั้นไปเครื่องเครื่องยังขึ้นไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแต่พอเดินพอเดินจงกรมระหว่างตอนนี้ระหว่างเดินจงกรมกับนั่งสมาธิเริ่มชอบเดินจงกรมมากกว่าอาจารย์รู้สึกว่า ขนาดที่เราเดินมันมันมันไม่ไปค่ะใช่เราจะเราเรารักษาสติได้ดีกว่าเวลานั่งเดี๋ยวนั่งใหม่ๆก็ดีเดี๋ยวนั่งนั่งผ้มันเครื่ อ, อ, อม น, น, นมันเครื่อนเานั่งสมาธินั่งเปนเครื่องแล้วก็นรุมาเดินก่อนได้ค่ะตอนนี้พอรู้วิธีเดินจงกรมแต่แรกๆกที่ฝึกตอนแรกๆกค่ะวันแรกๆเดินเที่ยวหนึ่งนะคะไปหลายเรื่องเลยค่ะเอ๊ะทำยังไงก็เลยมาปรับปรับปรั บ, บจนอ๋อค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ มีควา ม, มสุขกันนั่งเครื่องบินค่ะต่อไปมันทำอะไรก็เป็นการปฏิบัติเป็นตลอดเวลาพวามี<ด>สติสติเนี่ยคือตัวปฏิบัติแล้ว่ะแล้วก็ตอนกวาดขยะมันก็บบแล้วกวาดขยะแล้วก็กวาดแล้วนะขยะมันมีเออมันก็คือกิเลสนนะมันเกิดได้ตลอดเวลากวาดแล้วก็มาอีกบางทีไอ้ตัวที่ทำให้เป็นกิเลสก็ไอ้ตัวไม้กวาดที่ทำให้เกิดขยะอีกนั่นแหละก็เออนะ ดีจังเลยรู้สึกว่าค่ะ h a ปี้ค่ะจา์เดี๋ยวจะหาโอกาสไปอีกค่ะเชิญเชิถ้าว่าเมื่อไหร่เข้ามานะค่ะอย่างน้นก็ต้องสิบสี่วันอีกเป็นชุดชดอย่างนี้ราคะดีนาทุค่ะห้ต้องขอบคุณลูกค่ะพาไปค่ะอานี่มีการย้ายที่ดีมีเพื่อนรรนะหายากนะหายากที่แม่ดูปฏิบัติธรรมวลกันได้นาทุค่ะค่ะ รูปรูปมันมีอะไระะไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เอพอออกมารู้สึกว่าข้างนอกมันวุ่นวายค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเอถึงมาปฏิบัติอีกทีมันก็ไม่เต็มที่เหมือนที่อยู่ในวัดค่ะแล้วก็สมาธิหรือว่าจิตรวมที่ได้มันก็ไม่ไม่ไม่เต็มที่เหมือนที่เราอยู่ใช้อยู่ที่วัดตลอดเวลามันมันทําได้ดีกว่า ค่ะแต่ว่าตอนที่ตอนที่ไปอยู่มันเหนื่อยมากอะค่ะต้องมันมันเหนื่อยมากรู้สึกว่ากําลังยังไม่พอเดี๋ยวต้องอ่อนซ้อมค่ะจะต้องซ้อมใหม่จะได้มีกําลังมีแรงมากกว่านี้ค่ะได้พยายามทําต่อไปพยายามรักษาระดับการปฏิบัติของเราไว้ให้เข้มข้นเรื่อยๆนะใช่ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะบ้านโดยสวัสดีภาพค่ะ คุณชัยาเน้นหน่อย <c oughs> หายหน้าไปไหนมาไปชอบพึ<อ>่มาหรือ <c oughs> ลดน้อยลงแล้วเจ้าค่ะ <Okay. S 2> อะคือพูดถึงเห็นพี่พี่พูดถึงอนาปนสาาติ <c oughs> มันก็อาการเหมือนน้ำเย็นที่แช่ตู้เย็นเพิ่งออกมาใหม่ <c oughs> ใช่ไหมเจ้าค่ะอันได้อุเบกขาที่ได้จ า, ากการนั่งสมาธิ อืมมันคือความเย็นสบายอ่ะเจ้าค่ะเย็นใจสบายใจใช่เจ้าค่ะไม่เกิดความคิดอไม่คิดแล้วก็ไม่ไม่มีอารมณ์กับอะไรใจใว่างใจเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้หน่อยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วหนัะวัานมานแล้วเจ้าค่ะไม่ได้เหมือนกันนานแล้วจ้าค่ะก็ไม่เจริญสติอยู่เรื่อย เออเจริญสติตลอดนะเจ้าค่ะแล้วนั่งสมาธิเหมือนว่านั่งได้น้อยอ่ะเจ้าค่ะเหมือนหน่อยอาการมันจะเป็นเหมือนตกเข้าไปในลิฟต์แล้วตกลิฟต์ลิฟต์ตกเจค่ะไม่ใช่ตกลิฟต์มันตกแบบอะ้รตกแบบไม่สติเรื่อตกแบบไม่มีสติมันีรู้รู้สึกตัวว่าตกก็ค่ะอก็ดีเลยตกมันดิ่งมัน ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเจค่ะมันจะดิ่งลงไปเรื่อยๆค่อยๆดิ่งทีเราสเตปสเต็ปมันเหมือนกระชากลงเลยเจ้าค่ะแต่เราก็รู้ว่ากระชากแล้วให้มันเบาให้มันเย็นให้มันสบายเจ้าค่ะแต่ก็ได้ลงไปยังไม่ทันได้ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไม่ทันได้สุดดีหรือมั้งมันก็ดิ่งมาแล้วใช่กิเลสมันโซ่วยกิเลสมันดันกลับออกมา แล้วอย่างนี้ต้องเจริญสติให้มากมากจ้ะใช่ไหมคะการต่อกลับมาสายสติต่อพุโทโธนอะหรือดูลมหายใจต่อไปอืจะค่ะอ่เหมือนจากที่ไหนเคยบอกพระอาจารย์ว่าทางโลกที่บ้านอะวุ่นวายตอนนี้หน่อยเออเหมือนว่าเราเคยปฏิบัติแล้วแบบรู้สึกดีอะมันก็จะหาทางมาทำให้จนได้จ้ะค่ะอ่า ใช่เราชอบแล้วก็ต้องเกงไปหาบันจนได้เจ้าค่ ะ, ะเหมือนไหนจะได้คำตอบที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ดูรูปเสียงกลิ่นรสผลพัท์ก็คือเหมือนกับว่าพอตาเราไปมองอะไรหูเราไปฟังซีรีส์มาเนียมันมาเหวี่ยงให้ใจใจมันทำงานใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มั น, ม น, ม น, ม น, มนกระตุ้นกิเลสความอยากความอยากให้ทำงานขึ้นม เอาจริงๆพอเราเข้าไปดูจริงๆเหมือนหน่อยเข้าไปดูจริงๆแล้วนะจาาะค่ะเหมือนกับว่ามันเบื่อมันก็ไม่ได้มีความสุขที่สุดเอ๊ะทาไมเราดูแล้วเรามันเอเอของมันไม่เที่ยงยของที่ใช้คํามสุขประหามันก็เปลี่ยนได้ดูบ่อยๆมันก็เบื่อได้อาหา ร, าารจาอาหารจานโปรดนี่ถ้ากินทุกวันมันก็เบื่อได้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือธรรมชาติของรูปเสียงกิตเรามันเป็นอย่างนั้น ใช่ค่ะแต่ว่านั่งสมาธิไม่เบื่อนะจ๊ะคะแต่ใช่สมาธินี้ไม่มีเบื่อเมืนกินข้าวข้าวเปล่านี่ไม่ไม่กินข้าวเปล่ากินเท่าไหร่ก็กินได้ไม่เบื่อใช่ค่ะมันไม่มีรสชาติมันเลยไม่เบื่อถ้ามีรสชาติมันจะเบื่ออืมเราต้องเฉยใช่ไหมจ๊ะค่ะต้องทำใจให้ดิ่งแล้วมันก็จะเฉยถ้าใจไม่ดิ่งถ้าใจยังปูแตกหรือมันก็จะไม่เฉย เจา้าค่ะก็กิเลส ก, ก็ย้อนย้อนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปที่ช้อปปิ้งเลยเจา้าค่ะแต่ ก, <laughs> ก็ยังมีบ้างอะไรที่แบบจำเป็นก็ขอซื้อแต่ตอนนี้เหมือนกับมันลดลดลงไปเองอะเจะา้าค่ะได้งงตัวเองเหมือนกันเจ้าค่ะทำอะไรหรอท <laughs> จิตใ จ, จมันก็จะไม่ค่อยยื้หวยอะพอเข้าไปดูก็ เหมือนว่าแต่ก่อนที่จําเป็นโอ้ยชุดนี้ยังไม่มีอะไรหรอกยังไม่มีตอนนี้ก็ไม่เป็นไรในตู้ไปค้นมาใส่มันหมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยสิค่ะอ่เอวิธีต่อสู้กิเลส ก, ก็ต้องใช้เหตุผลอย่างนี้ส่วน อ, อ่าถึงถ้าต่อสู้กับกิเลสต้องใช้ปัญญาจ้ะค่ะหนคิดว่าก็นั่นแหละปัญญาเขาไปค้ น, คนของในตัวก็เป็นปัญญาแล้วอ๋อคือที่นั่งสมาธินี่คือว่า หน่อยก็คือทำเหมือนที่บาอาจารย์บอกว่าสะสมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้ปัญญาค่อยใช้ตอนที่กิเลสมันย้อนใช่ไมเจ้าคะใช่ถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกำลังสู้กิเลสมือกิเลสแยบมาว่าบ n o อ k เลย k น o อ k เลยถ้ามีปัญญา ใ, ใจจะไม่ไม่หวั่นไหวจริงๆเจ้าคะ่ะคือบางทีมันมีแบบครั้งหนึ่งเลยที่เจอกับตัวเลยนะเจ้าคะที่แบบว่าโดนบูลลี่แบบ แล้วทีนี้ก็แว บ, บขึ้นมาเลยเจ้าค่ะปัญญาก็คิดเลยว่าเขาแค่พูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากยินไม่อยากได้ยินเราก็เลยเออแล้วมันใช่ตัวเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยมองว่าแล้วมันก็หายไปเลยค่ะไม่มีอะไรเลยอารมณ์เกิดโกรธนิดนึงแล้วก็ดับไปเลยเจ้าค่ะใช่ไม่เป็นตัวตนอะไม่ดับเพราะไม่รู้เฉยๆสัแต่ว่ารู้ไปพระ พระอาานเจ้าคะไหนถามเลยได้ไหมคือผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ผู้รู้ก็เป็นผู้รู้นะไอเราเป็นตัวความคิดคิดปรุงแต่งขึ้นไว้เองเหมือนนิยายเราเขียนนิยายในกอในขอเราเขานี่เป็นนิยายเป็นการปรุงแต่งเป็นการสมมติขึ้นมาในใจเราแล้วเราคือใครเจ้าคะก็เราคือผู้รู้ผู้คิดเนี่ยก็ ก็พยายามหาตัวเองคือก็ยังหาอยู่นะจ้าคะว่าเฮ้เราคือใครเราคือใครนั่งสมาธิไปเดือยก็เจอทาใจให่หวัมันก็เจอเจ้าค่ะก็ไม่ยังไงก็ไม่หยุดเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องน่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอนั่งคิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอต้องหยุดคิดมันกจะเจอตัวเราเองเจ้าค่ะก็คือมัน อุบายพระ อ, อาจารย์ตอนแรกที่บอกว่าใช้คําว่าพุโทโธเสียงดังๆนะเจ้าค่ะคือฟังฟังในเทศเทศของพระ อ, อาจารย์นะคะช่วงบ่สองคือเหมือนว่าใจมันทํางานแล้เจ้าค่ะก็คือมันเหมือนมันหายใจเข้าไปด้วยพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกก็เลยเปลี่ยนอุบายมาเป็นพุโทโธเร็วๆเจ้าค่ะพุโทโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เอาผู้รู้มาไว้ตรงปลายจมูกหรือไม่ก็ ริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่แบบประมาณนี้เจ้าค่ะก็ถึงสงบลงแต่ก็บางทีก็ไม่สงบนะเจ้าค่ะก็ใช้ก็การตายเจ้าค่ะยอมตายได้อันไหนก็ได้บางทีกาจำเป็นอจจะต้องเปลี่ยนมากเจ้าค่ะมีมอีอีกไหมคะมีอุบายอีกไหมเจ้าคะที่แนะนำ <laughs> บางทีมันก็ไม่สงบจริงๆริงเอา<ๆ>อไ้ลาเลยพยายามทำให้มาก ทำไม่มากทำไม่บ่อยเจ้าค่ ะ, อะโอเคเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะผ่านเวทนายังไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ตอนเนี้ยขาชาก็ใช่สติไม่พอกําลังไม่พอต้องฝึกสติให้มากขึ้นเจ้าค่ะก็ไปเพ่งตรงขาเกินไปก็เลยขาชาฝึกสตินั้งต่ายเงินตาเพิ่มเงินตาขึ้นม า, ล, ม า, มมาล้วพูดโธไปเดินดูว่าร่างกายวันทำอะไรอยู่ เกาดูไปอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเดี๋ยวจะมีกำลังสเตกนี้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลาาชาการเจ็บไปพูดทอพูดทอพูดทอไปเนี๋ยมันก็ผ่านได้อาอุบายนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ของเราไม่เจ็บเราแค่พูดรู้คือเขาเจ็บจริงจริงมันจะเชื่อเราหรือเปล่าไม่เชื่อเจ้าค่ะเพราะว่าเขารู้เขาเจ็บปั <ใน S 1> ๊บก็อย่าไปรู้บรรยากาศอย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพูดทอไปทําเป็นดื้อเป็นไปนี้ไป อ่าอยู่กับพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องดูลมอ่าพุโทโธอย่างเดียวเลยเวลาที่เกิดไม่ไม่ธนาขึ้นมาไม่ต้องดูลมได้เจ้าค่ะเพราะว่าหน่อยก็ดูลมแต่มันก็ยังเจ็บยังเจ็บอยู่ก็ดูลม <c oughs> มันช้าเกิ น, นไปนะพุทโธเดวขึ้นนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไนะอืมเจ้าค่ะหวังว่าคงได้เจออานาบ้างนะเจ้าค่ะเพราะว่าไ ม, ไม่ได้ อ, อาณาเขาเรียกกับปนาไม่ได้อานาอานาอัปปนา อข า, า, อ า, าทำแค่<ม>าติไม่ได้เจ น, นานแล้วอ่ะควารู้สึกแบบอ น, นามั น, น, า น, น, น, านดูลงอัป น, นามั น, น, านจิตรวมเป็นสมาธิเป็นปริญญากันหน่อยแค่สองครั้งในชีวิตที่ทําตอนนี้ไม่รู้สึกว่าได้เจอสักทีเลยค่ะต้องปฏิบัติามานานมากก็เราไม่ทําต่อเราไม่รักษาไว้มันก็หมดไปเจ้าค่ะ Okay, โอเคนะี่ค่ะมีแค่นี้เจ้าค่ะโอเคที่กุิสาลอสแอนเจ e ิสแคลิฟอร์เนียกลาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยว่มามาเลยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแค่มีคำถามสั้นๆอันเดียวคือตอนนี้โยมออดูกายะคือในระหว่างวันก็มีดูร่างกายเคลื่อนไหวคะ่ะสลับไปกับพุทโธค่ะ อาจารย์ทีนี้เดี๋ยวการดูร่างกายเคลื่อนไหวบางทีมันมีตัวคิดขึ้นมาค่ะอาจารย์คือตัวคิดว่าใช้พุดทอยอยู่มันไปมันมันจะเป็นตัวคิดว่าถ้ามูดเราแปลงฟันแล้วก็เราแปลงฟันเราแปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอ่เงี้ยไม่ไม่เป็นไรเพราะมันคิดตามกวามจริงมันอยู่กับความจริง อ <gas>: ๋ออันนี้ได้ใช่ Hospital ใชไหมคะคือมันดูไม่แปลกใช่ไหมคะคือแบบบางทีเราเรายังไม่ค่อยชินกับการดูกายาสติอะค่ะคือบางทีเราก็จะบอกเอ้เราก้าวขานะอะไรเงี้ยปรามาเกีียวทำาเกลอะไรเาใช้ใช้ชินขึ้านแรกก็นอโอเคค่ะขาดโยงก็จะ ใช้ใช้ลักษณะแบบนี้เพราะบางทีแต่ยังไม่แปลงไปแล้วคิดว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปนู่นมาที่ทำนู่นทำนี่คนละเลือกเลยไม่ได้ให้มันเป็นเรื่องเดียวมันได้ใช่ใแล้วจริงๆมันมันต้องคิดไหมคะหรือว่าให้ดูเฉยเฉยหรือยังดยดูเฉยเฉยได้ก็ไม่ต้องเไม่ต้องคิดเต่ดีกว่าจะได้จะได้จิตจะได้เบาขึ้นจิตจะได้ไม่ต้องทำงานหนักคือเดี๋ยวยมยังงงๆงอยู่ะค่ะเหมือนมันจะคิดเองอ่ะ เราต้องการหยุดความคิดให้ใหหลูกชเฉยค่ะค่ะคือเหมือนมันจะคิดเองว่าเราแปลงฟันนะอะไรเงี้ยแปลงฟันอาบน้ำอะไรเง o, <น>ี้ยค่ะก็ได้ไม่เดินเอ๋อไม่เสียหายทานข้าวจานข้าอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ต่อไปบอกว่าไม่ต้องคิดก็ได้ใหู้้เฉยๆฉยลูกก็ทำได้ได้ได้ค่ ะ, คะก็ไม่มีอะไรค่ ะ, คะาจา์เข้ามารับฟังอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาไม่ทันค่ะ <esters hire. S 1> ต, ตื่นสายค่ะ ไม่เป็รโอกาส <c oughs> ค่ะวันนี้ตื่นตีห้าเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ <c oughs> ล <c oughs> ตอ น, นี้ LA จะเจ็ดโมงเชา้าค่ะเจ็ดโมงเช้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะเดี๋ยวโยงขออนุ ญ, ญาตล i v วิ g m ม e t i n g เลยได้ไหมค่ะเพราะว <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> จะยุค่ะเดี๋ยวโยมจะไปไปหาหมอฟันตอนเชาน้าเลยค่ะ <c oughs> ไรค่ะ ใครได้ผู้เสียนัําตั้งการจะออกไปแล้วออกไปได้ค่มคะค่ะกราบขอบพระคุณกราบสาธุพระอาจารย์ค่ะยังปฏิบัติอยู่สม่ําเสมอค่ะอ่าธุจ้ะค่ะไปที่คุณชาิเอ็นเกนามาซากะโตเกียวค่ะกราบนามาซากันพอดีจริงๆแล้ววันนี้ลูกชายค่ะเขา มีคำถามจะถามพระ อ, อาจารย์ตั้งแต่วันจันทร์เขาคอยทุกวันเลยเอ้ยเมื่อไหร่พระอาจารย์จะได้ถามจะได้ถามเมื่อกี้กลัไปแล้วสองยาเมื่อ ไ, ไ, ไหร่จะถึงตาน้องคูณพระอาจารย์จะถามจะเรี้ยงยาต้องรีบเข้ามาเร็วๆเลต้องเข้ามาตอตั้งแต่หัวคิวเลยเอาให้เขาเข้ามาถามพระ อ, อาจารย์เองค่ะคื อ, อคือว่ า, า น, นะคะ พอเอิญคุยเรื่องเอการจากลาแล้วเขาก็ถามว่าแล้วทําไมเราต้องจากลาก็เลยก็เล่าให้เขาฟังว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายถ้าน้องไม่อยากจากน้องก็ต้องไปนิพพานแบบที่พระอาจารย์สอนไงน้องคุณเขาบอกน้องคุณจะถามพระอาจารย์เองเขาก็เลยคอยมาตั้งแต่วันจันทร์ค่ะพระอาจารย์ว่าจะทํายังไงถึงจะได้ไปนิพพานเหมือนคําถามน้องตะวันเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะว่าแล้วน้องคุณจะต้องทํายังไงถึงไม่ น้องคุณถึงจะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกน้องคุณไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวหนูจะถามพระอาจารย์เดี๋ยวที่น่าให้เขาข่าเองค่ะเขาจะได้จำเองค่ะได้นะใช่เขาก็เข้ามาเร็วๆหน่อยเลยช่วยเข้ามาตั้งแต่ช่วงปวดเริ่เริ่มต้นได้จะได้ไม่นอนได้ได้ค่ะเดี๋ยวเขาน่าจะรีบกดเลยค่ะพระอาจารย์อันหับได้เกือบสอชั่วโมงเลยให้ไค่ะมือน ไปกิ้งมานั่งนับหนึ่งถึงยี่สิบก็แล้วกันไปบ้างาไม่เป็นไรไม่เป็นอย่างน้อยก็หลับไปก็ไจะดีต้องหลับไปก่อนนะครับขอบค่ะพระาอาจารย์ในเช้าที่เดลัสเท็กซัสต่อที่กุญสุพัตรากลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในเท็กซ อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะดีขึ้นบ้างเจ้าค่ะเกือบยี่สิบแล้วเจ้าค่ะยี<ม>่สิบองศาดีขึ้นเจ้าค่ะลูกจะขอขอบคุณอแอดมินนะเจ้าค่ะที่ที่โพสต์ข้อคติธรรมสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะเจ้าค่ะลูกก็เลยได้มีโอกาสแชร์ให้กับสามีด้วยเจ้าค่ะเขาจะได้แบบ เหมือนแบบเป็นรูปพระอาจารย์แล้วก็มีข้อคติธรรมภาษาอังกฤษสั้นๆนะเจ้าค่ะแล้วลูกก็ส่งไปแชร์ให้เขาเขาจะได้แบบไปอา่านใช่สมัยนี้คนไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆเสียเวลาเจ้าคะ่ะเราอยางแรกของสั้นๆเราเอเอาเนื่อๆเลยง่ายๆตร ง, งไปตรงมเจ้าเจ้าเจ้าค่ะ ก็เลยได้ได้ส่งให้เขาเจ้าค่ะก็อยากให้เขาเพราะเขาเป็นคนสนับสนุนลูกให้เดินทางนี้แล้วคอยให้กําลังใจลูกก็เลยลูกไม่เก่งภาษาอังกฤษลูกก็เลยอยากให้เขาได้มีคําของพระอาจารย์ส่งไปให้เลยเจ้าคะก็ขอบคุณแอดมินนะเจ้าค่ะขอบคุณแอดมินค่ะแต่ไม่ได้เป็นทีมงานนี้ทีมงานนี้เป็นถ่ายทอดสดอันนี้คนหนึ่งเป็นพร ะ, ะเป็นพระชื่อพระมองอ อ๋อขอบคุณขอบพระคุณพระบรมเจ้าค่ะขอขอขอเยอะๆเจ้าค่ะแต่ไม่ทำอยู่เรื่อยๆขเป็นภาษาอังกฤษถ้าท่านรู้ว่าคนชอบเดี๋ท่านก็จะทำออกมาอยู่เรื่อยเป็นประโยชน์มากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ได้เตือนสติเขาด้วยเขาเขาชอบฟังเขาชอบอ่านเขาเชื่อเพาะว่าจะเขาบอกว่าเคยฝันถึงพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะโ ก็ดีเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะขอถึงคุณเฟิร์สคุณเฟิร์ถามนักสักการะอาจารย์ครับอกรไุงเทพเพราะผมเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วได้ถามพาระอาจารย์ครับเรื่องมีเสียงรบกวนครับเวลาทำสมาธิครับแล้วก็พระอาจารย์บอกว่า เออถ้าไปฝึกแล้วเป็นยังไงให้กลับมาเล่าให้ด้วยครับก็ว <Okay, S 2> ันนี้ก็จะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังครับโอเคเอาเอาสั้นๆหน่อยได้ใหญ่ยาวนะครับครับก็ก็คือเออก็คือเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยสรุปได้ว่าถ้าเราตอนนั้นสมาธิเรามันมันมีเนี่ยพวกเสียงรบกวนมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าสมาธิเราต่งเนี่ยเราก็จะงุดหงิดทันที สรุปแล้วก็ประมาณเนี้ยครับสั้นๆครับอาจารย์ถ้ามันถ้ามันถ้ามันหงุดหงิดอย่างนั้นใช้พูดโธช่วยนะครับผมแต่ตอนเนี้ยความหงุดหงิดมันไปเกิดกับที่อื่นแทนครับอาจารย์ไปเกิดกับเวลาเจอคนที่เขาทําให้เราแบบเอ่อทําให้เราหงุดหงิดนะครับทำให้เรารอรมสิใช่ใช้พุดโธได้เหมือนกันครับผมลองพูดโทพูดโธไป หรืออย่าไปยาอย่าไปยาให้เขาพูดหรือทาอะไรที่เราต้องการที่เราโกรธเย็นเพราะว่าเขาเป็นคนเขาทำอะไรที่เราไม่ต้องการใช่ไหมใช่ครับือแล้วเหมือนบางทีครับผมเราอย่าไปหวางอะไรจากเขาไว้เขาพูดเขาทําไปเขาอยากจะพูดอะไรเราอย่าไปวางอะไรแล้วเราก็จะไม่โกรเย็ครับผมต๊ตรงนี้เป็นทํายากมากเลยครับอาจารย์เพราะบางทีแบบ เราต้องวนหงิดไปก่อนแล้วนะครับเหมือนตั้งตัวไม่ทันเพรงะวนหงก็ใช้พุทโธพุทโธนะครับผมพอเหมือนกันเรารู้ตัวเราก็ย้อนกลับมาตั้งสติแล้วก็ใจมันก็เย็นขึ้นนะครับอาจารย์ต่างกับแต่ก่อนที่มันจะเป็นวันสองสามวันบางทีก่อนเมื่ก่อนเมื่อก่อนเราไม่รู้วิธีแก่มันจะไปแก้แก้ที่ตัวเขายิ่งแก้ยิ่งร้อนใหญ่ใช่ครับเหมือนแก้แบบ ครับผมก็ประมาณเนี้ครับพระอาจารย์โอเคก็ทําต่อันพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปใจเราจะใช้ได้มากขึ้นนะครับผมครับตารรัสการครับอไปที่รักสำหรับคุณปุ้ยมาดาปุ้ยตามนรัสการครับพอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาไม่ได้พระอาจารย์สบายดีใช่ไหมคะสบายดีเออโยมจะมา รายงานผลค่ะคือโยมได้อธิษฐานจิตโยมบอกกับพระอาจารย์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วว่าโยมไปไม่ไหวจริงๆไปต่อไม่ไหวกับงานอันนี้โยมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าถึงเวลาแล้วอายุโยมเยอะแล้วมากกว่าครึ่งร้อยแล้วอีกไม่กี่ปีโยมก็จะไปแล้วโยมขอใช้เวลาให้เต็มที่เดินทางรมไม่เอาแล้วผู้ชายเอาสินแปด แต่โยมก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยมงานพระอาจารย์หนวเราะเล้เยจริงๆสยมมีสัเอะแล้วตั้งแต่โ ย, ยมไม่ได้เข้ามาหาพระอาจารย์เข้าไม่ได้เข้าห้องเต็มกะโยมก็ตั้งใจถือสินแปดมาแต่เมื่อวานนี้โยมอะเกิดกิเลสอะเผลอไปหยับจับใจป จำใจฟังเฉยเลยแต่วันนี้โยมถือสิ่แปลกเหมือนเดิมโยมขอขมาแล้วโยมบอกโยมก็ไหว้พระขอขมาว่าโยมไม่ได้ผิดทำผิดอะไรแต่โยมทําผิดแค่ตรงนี้ขอขมาโยมด้วยแต่โยมก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและจิตโยมเนี่ยถามว่าเห็นอะไรไหมโยมไม่เห็นนะนรกสวรรค์แต่แบบจิตโยมมันเหมือนเส้นกราฟที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างเงี้ยไปอ่ะ คือมันไม่รู้สึกว่าเสียใจมันไม่รู้สึกว่าดีใจมันไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นมันมันเฉยเฉยมันนิ่งๆมันแบบเหมือนคนไม่มีความรู้สึกแพระอจาร์ค่ะโยมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่โยมก็คิดว่าเป็นโยมต้องขอพระคุณพระอาจารย์และขอพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่ากันโยมออกมาจากที่ตรงนั้น แล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่โยมจะต้องสร้างบุญสร้างบุญมรรมกันเต็มที่เป็เวลาแนละ้วเพื่อโยมแล้วชีวิตแล้วผ่านเครื่องแรกแล้วไดนะนะ้กับภาระทางโลกไปแนละ้วทีนี้เรามาทำภาระทางธรรมต่อนี้ป่ะใช่จ<ม>ุดต้องที่สุดค่ะโยมบอกแล้วอลูกโยมก็หมดภาระไปแล้วตอนนี้โยมต้องเดินทางธรรมเต็ม ท, ท, ที่เพราะว่า แต่ว่าโยมก็ขอขมานะโยมก็ยังต้องแต่งตัวนะคะเพราะว่าโยมต้องใช้ปัจจัยในการสร้างบุญสร้างบารมีมาต้อบบรักษาสินหน้าไปก่อนบาวันก็ถือสินแปดไปวันไห้สะดวกก็ถือสินแปดวันไหนไม่สะดวกก็ถสินห <ยม S 2> น้แปดแล้วโยมถือสินเจ็ดอ า, อางี้ดีกว่ า, าสินเจ็ดละกันที่ขาดโยมถือสินเจ็ดแล้วกันเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเราไม่เผลอหรอกเราไม่เพ้อเจออมเพราะว่า มันมันพอมันเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราอยากจะมีโลกส่วนตัวเราไม่อยากฟิเจอร์แล้วแล้วมันมีแบบเวลาเดินออกไปเนี่ยมันจะมีคําเหมือนกับหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลอยขึ้นมาพอจะทําผิดอะไรเนี่ยมันจะนึกถึงคําเตือนของพระอาจารย์ขึ้นมาในสมบสมองเลยมันทําให้เราไม่กล้าทาผิดนะคะดีมาดีมา ก, มากค่ะให้ได้กลับ น, นะขอจําการงานโ น, <ค> น, นอ<ค>นถวนายบุญกับพระอาจารย์ค่ะ อออ่พระอาจารย์ขอพรหน่อยสิคะคุณนิวันหวยหรอขอให้เราไปรวยนะสาธุดใจจังดใจโอเคไปที่คุณชนะดานแล้วชนะดานกลับถึงบ้านแล้วหรือสาธุกลับถึงบ้านแล้วค่ะพระอาจารย์อออกจะสิ้นแปดเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์กลับ แต่ว่าช่วงที่ไปถือศีลแปดข้างบนนั้นก็งดอาหารนะคะเหมือนเดิมค่ะพาจาร์มีทาน ม, มีทานสับปะรดไปนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าจะได้ไปช่วยเรื่องทอมสินที่มันหนักเสบอยู่อ ะ, ค, ะค่ะคะ่ะก็ตั้งใจว่าจะงดทุกรอบนะคะพาจาร์ดเดี๋ยวคือรอบนี้พอตอนที่รับศีลแปดนะคะ เอเขาเรียกว่าสวดรับด้วยตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็มันน้าตามันก็ไหลเลยอะค่ะพระอาจารย์อรอบนี้ทําไมดูซึ้งกับสิ่แปลกมากเป็นพิเศษเลยอะค่ะก็ดีก็มีปฏิะกะดีแสดงว่าเรามีความความแน่วแน่มีความจริงใจค่ะแล้วก็มีเออจะบอกว่าความทุกข์ที่มีที่แบบเรื่องใหญ่ใหญ่ๆที่มันผ่านมาลูก ลูกรู้สึกว่ารอบเนี้เป็นเป็นรอบที่ทําให้ลูกมั่นใจแล้วชัดเจนแล้วว่าลูกลูกผ่านนะคะพระอาจารย์ผ่านได้ก็ดีผ่านได้ก็ดีดดค่ะแล้วก็เอตอนที่นั่งนั่งนั่งสมาธิอะค่ะตอนที่กําลังแบบคลุ้มคลือค่ะพระอาจารย์ตอนที่เออมันยังไม่มันยังไม่สงบอะไรเงี้ยนะคะพระอาจารย์แล้วก็เป็นคือนั่งหน้าห้องตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะน ะ, ะแล้วก็ ลูกก็เออ่ตอนนั้นยิงเจ็บคออยู่ด้วยมันก็เจ็บเลื้อนลังมาก็นึกในใจมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มานมันนึกถึงว่าพระอาจารย์ให้ใช้ทำมาโอโซนลูกก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเราไปเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอะแล้วเราอ่ะจะให้จ ะ, จ ะ, จ, ะจะรักษาด้วยวิธีคีโมีไหมเราก็ไม่อะ่ะเราคิดว่าเราไม่เราก็อยู่แบบอยู่แบบ ธรรมชาติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอย่างนี้นะคะแล้วตอนนั่งสมาธิตอนที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แบบเอสงบสงัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีแล้วเรื่องเออ่เรื่องความทุกข์มันมีหลายอย่างมันก็มันก็ให้พิจารณาเห็นแล้วมันก็แบบเรื่องการงานที่มันมันแย่วจาดที่แบบมันมันไม่เคยแย่ขนาดเนี้แล้วมันก็แย่แล้วอะไรหลายสิ่งเลยอะ แล้วลูกแล้วแบบความเจ็บป่วยแล้วลูกก็นึกว่าเ อ, อสมควรจะตายได้ห้อมัง้งลูกเขาลูกก็เลยพิจารณาว่าก็ตายไปได้เลยถ้าถ้ามันสมควรจะต้องตายก็ตายไปได้เลย mm hmm. ก็จะนั่งก็จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยแหละนั่งสมาธิอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยจะตายก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยในในในหลายๆอย่างถ้ามันถึงเวลาถึง<า>เวลามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีค่ะ พอพอลูกนึกถึงตรงนี้พอเหมือนพอเลยยอมอะอะไรก็แล้วแต่พอเลยยอมปุ๊บอะความสงบมันมันปึ๊บมนเลยอะค่ะพระอาจารย์ยอมยหยุดเย็นค่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือโอตอนนั้นตอนนั้นโอเคเลยอะรู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี้ยแหล ะ, หละคือใช่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกลูกรู้สึกว่ามันใช่แล้วหลังจากพอตรงนั้นมามันเป็นความ ระหว่างในใจอะค่ะมันมันไม่อยากนอนด้วยซ้ําไปคืนนั้นน่ะแล้วมันก็แบบเออพดีอ่านหนังสือด้วยค่ะพระอาจารย์อ่านหนังสือประกอบกันไปด้วยคือตั้งใ จ, จพิจารณาพยายามจะทําให้ตลอดเคยเคยได้ยินมีบางคนบอกว่ามาอยู่แล้วก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิสิบกว่าชั่วโมงต่อวันเงนี้ยลูกก็นึกนะลูกไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่ว่าคือถ้าลูกนอนก็คือนอนแต่ถ้าตื่นเมื่อไหร่ก็คือต้องต้องปฏิบัติ ต้องภาวนาต้องเจริญสติต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทำแล้วจะมีมีเว็บแบบางแว็บที่แบบว่าไปเล่นกับกวังบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ก็พยายามทําให้มากที่สุดอะค่ะพระอาจารย์ลูกๆ ก, ก็พยายามทําแล้วลูกก็รู้สึกรอบนี้มันชัดขึ้นมันชัดขึ้นลูกลกูสึกว่าใจลูกสว่างมันแล้วลูกมีความรู้สึกเลยว่าทุกเนี่ยมันคือราบอันประเสริฐจริงๆมันถ้าคือทุก ทุ ก, ทกย<อ>ก<น>ีปัญญาบอ ก, กช่อันนี้คือแท้จริงเลยอะค่ะพระอาจารย<ม>์อย่างที่พระอาจารย์สอนเนี่ยคือจริงจริ ง, รงมากๆทั้งหมดเลยอะคะ<ม>่ะพระอาจารย์<ม>แล้วหนังสือที่ลูกอ่านนะคะแบบคือมันมาตอกย้ําอีกเ อ, อชื่อหนังสือรอยทำสุปันติโตอะค่ะของ<ม>พระบัณฑิตอะค่ะพระอาจารย์<ม>ลูกอ่านเลิมเนี้ยลูกอ่านไปลูกก็กลับเจอท่อนไหนที่แบบ ที่ใช่ลูกก็กราบกราบน้อมกราบเข้ามาในใจแบบซาบซึ้งตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีอยู่อยู่แบบบทหนึ่งที่มันที่ที่ท่านได้เขียนไว้นะคะว่าเออ่ถ้าเราเจออะไรที่ต้องแก้ไขอะ่ะก็คือให้เราแก้ไ ข, แ ก, ไขแก้ไขซะพอสเต็ปที่สองอะ่ะก็คือพอแก้ไขเสร็จแล้วก็ให้เขาเรียกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะคะ แล้วพอสเต็ปที่สามอ่ะ เ, อเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้อุเบกขาไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาแล้วลูกก็นึกถึงสเต็ปที่สนะี่อะไรนะลูกนึกนึกนึกอะไรนะคือเอ๊ะทาไมเราจําไม่ได้ลูกก็เอามานั่งคิดตอนที่กลับมาที่คอนโดเพราะว่าลูกกลับจากที่ที่ที่เขาใส่บาตรท่านพระอาจารย์เสร็จลูกกลับมาที่คอนโดก่อนแล้วลูกก็มานั่งคิดที่คอนโดว่ามันอะไรลูกก็ทําสมาธิไปด้วยแล้วพอมันนึกขึ้นมาพอท่อนที่สี่ อ๋อ oh, พออุเบกขาเสร็จแล้วก็พิจรารณาไตรักไงมันก็ผุดขึ้นมาว่าว่าพิจารณาไตรัาตากโหเราพอพอพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดความว่างเลยค่ะพรอาจารย์เป็นความว่างที่แบบเฮ้ยเราเห็นเลยว่ามันว่างมันว่างแล้วเราก็มีความสุขมากเลยค่ะพระอาจารย์ลูก็เลยดีใจมากกับตรงนี้ยค่ะพาอาจารย์เออเราเราหน้ความอยากได้ใจว่าง แล้วพอตอนที่เลูกกลับจะต้องเข้าไปที่ออฟฟิศใช่ไหมคะพอพอพอไปเห็นรถคนรถใครบางคนที่เราไม่เคยชอบอะ่อบะเขาจอดหน้าออฟฟิศปกติถ้าลูกไม่มีความจําเป็นลูกก็จะเลยไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาลูกก็ไม่อยากจะเข้าไปเจอเขาหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวันที่ลูกได้เจอคนที่แบบที่แบบเคยมีปฏิกิริยาที่แบบไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยวันนี้เจอหลา ย, ลายคนเลย แต่วันนี้ไม่มีผลอะไรกับใจลูกเลยอะวันนี้ค่ะดีมากดีมากค่ะปล่อยวางได้ค่ะใจมันมันไม่รู้มันคือจะบอกมันไม่ืึมซาบกัหากัน่ะมันยนน้ํมันย่นน้ํามดใบยบยเจอกันได้แต่ต่างฝ่ายต่างอยู่มันไปค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วลูกนะดีใจอย่างหนึ่งคือคือการที่เราอ่ะ เฟลเรื่องงานอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเราเคยเราเคยทำงานได้ดีมากเราเป็นที่คาดหวังของอระดับที่แบบบนบ น, บนกว่าเราอะไรเงี้ย เ, เราเคยเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใครๆครส่วนใหญ่ที่มีเวลาที่เจอเราเขาจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่งานเราเฟลสามสี่เดือนน่ะและ้วมันจะได้เห็นน่ะมันได้เห็นใครบางคนที่เขาเปลี่ยนไปอ่ะค่ะาจเาฮ้ย ม, มันดีใจอ่ะ มันดีใจว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ถึงจุดเนี้ยมันจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความทุกข์เลยนะคะว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาแบบแบบเคยเคยดีกับเราเคยแบบอะไรกับเราแบบเนี้ยแต่เขาแบบเขาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ไม่ไม่ไม่คล้ายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะนู้รู้สึกลูกดีใจแล้วเพราะว่าถ้าแบบถ้าปกติมันจะไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้อะไรง่ายๆแบบเนี้ยค่ะ ไม่ไม่ได้เจออะไม่ได้เจอต้องบอกเนี้ยค่ะพรอาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าเอออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ลูกนี่พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าเกิดคือเราอะไม่ฉลาดใช่ไหมคะ เราถึงต้องเจอบทเรียนที่แบบบางทีมันราคาแพงหรือว่ามันมันดูโหดจังเลยอะไรเงี้ยมันต้องเจอเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะเราถึงเราถึงจะฉลาดนั ue, ad, v, ่นคือคือเราไม่ฉลาดใช่ไหมคะอาจารย์ไดไม่มีปัญญาค่ะ ม, ม, มันก็เลยต้องมีบทเรียนมาสอนให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาค่ะอาจารย์ซึ่งบางคนอ่ะเขา อาจจะไม่ต้องมาเจออะไรที่หนักเข้าเราเพราะว่าปัญญาเขามากเขารู้ทันเขารู้ทันเขาเลยเด็กเนี่ยได้เดเนี่ยปัญหานเราไม่รู้ทันเราเดินก็าหาปัญหาเองเดินไปชนเดินไปชนตาไมา้คนที่เขามีตาเพราะว่าเขาก็ไปเดินไปชนค่ะผ้าจารย์ค่ะโอเคลูกเข้าใจค่ะผ้าจานแล้ลูกต้องน้อมกราบสาธุมากคือหนังสือเล่มนี้ยนะเออ อพระหมอค่ะพระบัณฑิตท่านเขียนเอาไว้ค่ะท่านบอกว่าคือธรรมเนี่ย ท, ที่ที่ลึกซึ้งเนี่ยมันยากในการที่จะคือเราจะจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาแล้วมาสั่งสอนเราเนี่ยเพื่อให้เราแบบได้เข้าถึงเนี่ยมันยากมันหายากอันนี้ยเขาถึงได้แบบในทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาถึงได้แบบเอ่อนอบน้อมยกย่องครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแบบเป็น เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดในชีวิตอันนี้รูกแบบทราบซึ้งจริงๆค่ะเข้าใจมากๆจริงๆค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะค่ะน้องกับพระอาจารย์ค่ะข อ, อะะขอบคุณอย่างสูงนะคะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไปนะค่ะทนนี่บัลติมอร์ซิลเวอร์สปริงเมลลอนกับนิมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีค่ะบอั น, นที่จะเข้ามาเข้ามาไม่ทันอ น, นี่นะไม่ทัน ก็มาสายป่าพระจานทร์ก um, ็วันนี uh ้ก็อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมายมรู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรอะค่ะพระจานทร์มันไม่มีเรื่องอะไรมากระทบก็เลยอ่อนข้อให้กิเลสแล้ววันนี้กิเลสได้ใจป่ะแน่นอนค่ะพระจานทร์ ก็เลยต้องมาฝืนเวลานั่งก็ต้องฝืนดึงดึงเข้าดึงเข้าดึงแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็ก็ได้นะคะพระอาจารย์ก็สงบค่ะย่ายยอดยอดดึงประมาณทดสอบดูว่าโดยการไปดูหนังฟังเพลงค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่ก็จะกลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์อที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากลับพระอาจารย์เจ้าค่ะย่าดูคุณมาเลยเชิญมาเลย วุฒิกาลใช่หลวงพ่อค่ะอยู่วุฒกาลค่ะยั ง, ป, ไไงปฏิบัติปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อเช้าค่ำแล้วก็ระหว่างวันก็เหมือนทรงสมาธิอยู่ตลอดช่วงทำงานก็ทำงานไปอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วช่วงที่ปฏิบัติแล้วสงบมันมันจะจับลมไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันจะมารับรู้ที่ เสียงหัวใจหรือไม่ก็เสียงชุดประจอนแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอยังยังสือว่าผูกใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, พอถ้ามันสมงมแล้วก็อยู่กับควาสมสงบไปกันน้มันจะนิ่งเหมือนเรารู้แค่เสียงเสียงหัวใจกับเสียงหรือว่าก็เสียงที่มันเต้นอยู่เล็กน้อยแค่นี้ค่ะก็ะจะอยู่แบบเนี้ไปอะค่ะหลวงพ่ อ, พอแล้วพอพอออกไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนมอง มองทุกสิ่งหรือว่าความรู้สึกมันเหมือนมันบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะค่ะมันเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยค่ะพอความรู้สึกในใจเรื่อวทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ว่าเขาเป็นอะไรเราไม่ว่าเขาเองเราไม่ว่าเขาเป็นนู่นเป็นดี่เงี้ยค่ะพอจิตแล้วสงบมันก็หยุดว่ามันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรต่อไปเราไปมีอะไรกับเขาเองนั่นเองพอเราหยุดปั๊บมันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมื่ว่างมันดูแบบ ธรรดาเหมือนเหมือนไม่มีอะไรใช่มันก็เป็น<ช>ธรรมชาติเหมือนดินานา้ำลมไฟภูเขาต้นไม้อะไรไปอะไรอี้ค่ะเหมือนเหมือนเราถือของไว้นานพอเราวางไปแล้วมันเหมือนเออมันก็เบามันก็สบายอะไรอย่างเงี้ยใช่พอใจพอใจปล่อยวางแล้วมันก็เบาค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ค่ะ เคยน่าจะต้องกจำกัดเวลาหน่อยนะเนือเวลาไม่มากไม่ที่ทตแค่นี้ก็ดีแล้วดีแล้วค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณที่ย่งหญสาธุสาธุค่ะที่คุณตายต่อคุณตายพัตยาเป็นยังไงมีอะไรรายงานไหยวันนี้สองกลางกันศรางพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยววันที่สิบเจ็ดนี้ลูกจะไปอินเดียค่ะพระอาจารย์ไปเที่ยวแล้วไปอะไรลูก ตอนแรกก็ไปกับครูบาอาจารย์เนี่ยแหละค่ะพอดีอท่านเดินทางไปหนูก็เลยติดตามไปด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าไปในเมื่อเราไปแล้วเราควรจะได้อะไรกลับมามั่งไอ้คำว่าอะไรของหนูก็คืออตั้งใจเออเธอศีลแปดไปเลยค่ะตอนแรกว่าจะบวชไปเลยแต่ว่ากลัวไปเป็นภานล่าของเขาก็เลยว่าเออถือถือเองดีกว่าแล้วก็ปฏิบัติเองดีกว่าแล้วก็การระยะทางที่ที่เดินทางแต่ละที่นี่มันไกล คูบาาจารย์ท่านก็บอกว่าระหว่างทางก็ให้เจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิไปไปไปเรื่อยๆคิดว่าจะต้องอทำไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็แต่พอจะถึงวันที่17เที่จะไปเนี่ยค่ะก็ใจเนี่ยไม่อยากจะไปแล้วพระอาจารย์เพราะมีแต่คนบอกว่ามันลำบากพอมันรู้ว่าลาบากเนี่ยพอมันรู้ว่าลำบากเนี่ยยมก็เลยคิดว่า ก็ตอนแรกว่าก็จะถาอนช่างมาเถิดค่าตัวช่างมันเถิดอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดไปคิดมาเราต้องไปค่าค่าตัวตัวที่ความกลัวกลัวลําบากเราต้องยึดความลําบากเป็นทางเดินให้ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์คิดถูกหรือเปล่าคะแต่ก็ถูกก็แหละนี่ก็แหละไปฝึกความสู้ก<ไ>ับความทุกข์ยากลาบากมันสมถมาแล้วถูกถูกกิเลสมันดุมถาา<ช>ทุกข์ยากลาบากแล้วกิเลสมันนี้มันจะหาย ใช่พอ ถ, ถึงใกล้มันจะไปมากๆเนี่ยกลัวมากกลัวที่จะได้ไปคะ่ะว่าอาจารย์แต่ก็พยายามว่าดันตัวเองว่าต้องไปนะต้องไปสู้กับสู้กับความลําบากให้ได้แล้วก็ต้องและก็อยู่กับคนหมู่มากต้องอยู่ให้อยู่ให้ได้แล้วก็ทําตัวให้ต่ําติดดินที่สุดอย่าไปมีปัญหากับคนอื่นอย่าไปอย่าไปเยอเกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อ, อ่าถูกต้องไปทดสอบ<อ>ไปทำข้อสอบดูทำได้เดี๋ยวถ้ า, ถ, าถ้าผลออกมายัางไง ถือได้สิบวันกลับมานั้นหนูจะมารา ย, ยางา น, นครับอาจารย์แต่ตั้งใจไว้คาารับอาจารย์เป็นอาจารย์ไหนพาไปะ่ะอ๋ออาจารววย์ประเวศค่ะวัดใดเนยอยู่ที่วัดอ๋อวัดป่าของมเรียค่ะอาจารย์ท่าครู<ห>ปัญญาวาลาพรนะคะอยู่ที่ไหนวันอยู่ที่จันทบุรีค่ะอาจารย์ับรรคมีผู้นําไปก็ดีเราก็จะได้มีคน คนคอยบอกคอยสอนเนาค่ะท่านพันษายเยอะแล้วค่ะคิดว่าท่านบอกว่าปีนี้จะพาลูกศิษย์ไปแล้วก็จะไม่พาไปละอะไรอย่างงี้ค่ะท่านไปไม่กี่ <ừ> ครั้งเองหนูก็เลย <ừ> ได้ได้ติดสายห้อ ย, อยตาไปด้วยค่ะ ค, ค่ะไม่มีอะไรล้วค่ะโอเคหวังว่าคงจะได้ศรัทธาได้ปัญญาเนี่ยเป้าหมายคือศรัทธาและปัญญาคนะ่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สาธุ มุนทิพวรรเชิญตอบมุนิพรสวัสดีค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินชัดเภาพมาเลยเคยมาส่งกันบ้านแล้วอะค่ะแต่ก็ทุกวันพุธก็ฟังหลวงพ่อประจําอะค่ะจะขอคําแนะนำค่ะหลวงพ่อคือพอปฏิบัติห น, นูปกติหนูจะฝึกสติในชีวิตประจําวันเะรอคะอทํางานบ้านทําอะไรก็จะตั้งมีสติอยู่ตลอดนะคะ คราวนี้ช่วงหลังๆ ห, หนูสงบราคาหลวงพ่อแล้วก็นิ่งๆบางทีเรานั่งอ่านหนังสืออยู่เนี้ยเราจะจิตมันกลับเข้ามานะคะหลวงพ่อคือรู้สึกเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธินะค่ะก็คือมันก็จะรู้สึกสบายๆแล้วหนูก็เลยต้องปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็หลับตาแล้วก็มันสภาพเดียวกับตอนที่เรานั่งสมาธินะค่ะก็คือมันรู้สึกว่างก็อยู่แค่อยู่ตรงนั้นนะคะจนกว่าก็คือแบบเหมือนประคองเอาไว้อะค่ะ ให้แค่รู้สึกสบายๆค่ะแล้วก็ออกมาคร น, นี้หนูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยก็คือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนิ่งๆสงบๆแต่ว่าหนูไม่ได้พิจารณาค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูทําถูกไหมค่ะถูกแล้วแหละเพราะขั้นสมาธิเราไม่ต้องการจะพิจารณาอะไรเราต้องการให้จิตสงบ น, น, นานๆค่ะถ้าขั้นปัญญานี้เราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลเรื่ความสมองเราพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ แต่พอปฏิบัติไปมันกลับกลายเป็นว่าชีวิตมันมีความสงบและสุขนะคะหลวงพ่อมันไม่ได้มองว่าชีวิตเป็นทุกข์นะคะมันได้สบายมันเพราะว่ามันเราไปเจอแบบความสุขที่แท้จริงไงคือความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเราไม่มีความสุขมาให้เราก็จะเห็นทุกอย่างว่ามันทุกข์เพความสุขทางโลกมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดมีดับมีปีนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ก็คือก็ ก, ก็ตั้งก็ทําก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็พยายามก็หาความสงบให้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําทได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเขาจะพิจารณาเขาจะออกพิจารณาเองเหรอคะหลวงพ่อคือปัญญานี้เป็นขั้นที่เราจะใช้สําหรับเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิวเวลาใจเราวุ่นวายขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเราวิเคราะห์ดหูว่าเหตุที่ทําให้ใจรเราวุ่นวายคืออะไร ส่วนใหญ่ก็คือกิเลสความอยากต่างๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี้ก็เราพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนอยากได้มันดีก็ไม่ได้หือได้มันแล้วเดี๋ยวมันก็เสียไปนี่อย่าไปอยากดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าอันนั้นคือปัญญาคือพิจารณาทุกอย่างเป็นตายละว เป็นอนิจจังพราหมณ์งาตาเพื่อจะได้หยุดความอยากความนุ่งกายของเราเขาสิ่งตา่างๆและใเราอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้อยู่กับความว่างไปนั่นเป็นปัญญาขั้นปัญญาแต่ตอนต้นนี้เความว่างความสงบให้ได้มากๆก่อนแล้วต่อไปเราเอาจะเอาปัญญามารักษาความว่างความสงบนี้ให้อยู่ของเราไปตลอดค่ะเข้าใจแน้วค่ะ โอเคนะขอบคุณมากค่ะไปที่คนร้อนนะัสอุ่นเชิญหมอกลับนัองอาจารย์รครับมีอะไรไหย อ, อ๋อพอดีมารายงานพระอาจารย์ที่พรอาจารย์ถามว่าตอนที่พี่หมอพาพี่หมอไปแล้วเป็นยังไงครับปฏิีไปที่ได้เจออาจารย์อ่าวันหนะ้าผมที่ไปกแกก็แต่ก็เลาให้ฟังว่าตอนที่ไปกลับมาแต่ก็สงบดีครับงานะแ่จะติดไอ้ตัว นั่งสมาธิไปทั้งเชวโบงมันวแกจะปวดจะเวทนาอะไรแกว่ามันจะมันจะจะค้ามได้แต่ว่าพอดีนาฬิกามาปลุกแต่ตอนนไ้นก็เลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าได้หรือสักไม่กี่วันครับก็เริ่มมันเริ่มทํางานแล้วงานไอแอดมินแสตทีจุงยุ่งแกก็มันจะเลยหมดไปเฉยหมดไปครับก็ไม่เป็นไรก็นาไปชาติบ่อยๆไปทำไงถ้าช่วงที่อยู่ทํางานถ้าเวลาว่างที่อยู่ อยู่บ้าน ก, กับจะทําอะไรคําต่อได้ไหมลูกครับนะ <c oughs> ต, ตอนแรกผมก็กังวลไม่พาแกไปลุยไปหรือเปล่าแต่ว่าถูวแกก็ชอบอยู่ครับเพราะว่าเพร า, าะ ว, ว, ว, ว่าถตัวก็ไปได้ความสงกมากถ้าอยู่ได้ก็ถือว่าถ้าอยู่ได้ก็ถือว่ามีมีสติพอสมควรบางคนอยู่<ข>ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงขอกลับบ้านก็มี ครับใช่ครับแมีตัวจักนน่นจัเนี่อะไรวิ่งกันไปเสียงนน้นเสียงนี้มาครับัวนโ่นกวนี่อะไรครับคับใช่ครับส้งขมต้องมีใจตามตามรู้ตลอดครับก็เลยมารายงานนูาจัดเดียวมีคนเยอะจะได้โอเคักเลยมาแจ้งตันะงานทันี้ก่อนนะทักทับนะเอานก่อนโอเคคนกรีดปรนเด็จะพูดไหมถ้าพูดมาเปิดไหม เข้ า, าขมาจังาาค่ <Okay. S 2> าจังครับเลาไม่ได้ก็เลยฝังด้านนอกเอาครับพยายามจำกัดเวล า, าให้มันอยู่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนีม่มกกบเดิามยนะครับไม่มีอะไรครับจะปฏิบัติต่อครับอาจารย์โอเคนี่มาดูครับไปที่คุณราคุณามีคำถามอะ่าไหรมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดหกคำถามค่ะ สองคำถามแรกจากคุณวาดสนาคำถามแรกกระผมตั้งใจจะรักษาสินแต่ยังตบยุงตายอยู่ทุกวันแบบนี้สินขาดใช่ไหมครับขาที่ก็เป็นการฆ่าสัตว์ไงคำถามที่สองในการนั่งสมาธิความคิดชอบมาเรื่อยแต่มีบางทีก็มีอาการวูบลงและนิ่งสบายแต่ก็ไม่นานแบบนี้ผิดวิธีไหมครับ ถ้าวบลงแล้วมันนิ่งสงบแล้วรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ถูกต้องแล้วเห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถทําได้ให้มันเป็นได้ทุกครั้งไปมันขึ้นอยู่กับกำลังสติของเราบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ก็ต้องหวนฝึกสติให้มากขึ้นคอยหยุดความคิดคอยควบคุมความคิดไวด้อย่าให้คิดคำถามต่อไปจากคุณบัว กราบนมัส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าคะ่ะลูกเคยได้ยินมาว่าถ้าหากผู้ใดเคยคิดปรามาศหรือลบหลู่พระอริยะเจ้าหรือพระอริยะบุคคลจะทําให้เป็นการขวางกาั้นมรรคผลนิพพานใช่หรือไม่เจ้าคะแล้วถ้าใช่จะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะจึงจะทําให้ผู้นั้นปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าเจ้าค่ะการเป็นปรามาศคนที่ก็ก น, น, นู้ดู้ดหางไปสู่นิพพานก็แสดงว่าเราไม่เชื่อเขาท่านนี่ เมเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้จากเขาได้วิธีแก้ก็คือถ้าเราคิดว่าเขาเป็นผู้ที่รู้ทางสู่กระปิภานสอนอาันใดเราก็ต้องไปขอเข้ามาแล้วก็ขอขอเข้ามาว่าเป็นความโง่เขาว่ากัญญาของเราที่ไประม า, มาท่านขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาต่อไปคำถามต่อไปจากคุณพันธิว่า ทำใจอย่างไรเมื่อสูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากอุบัติเหตุครับพระอาจารย์ทำใจเฉยๆดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ดีทำใจเฉยๆดีสุดเป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้นะเป็นการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะไปทำอะไรได้คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินวันนี้หนูมาทำงานฝนตกหนัก ยืนอยู่ป้ายรถเมล์รอฝนหยุดไม่มีร่มฝนตกผ่านไปหลายชั่วโมงฝนก็ไม่หยุดใจหนูบอกว่าก็ตากฝนไปสิกายนี้ไม่ใช่ของเราจะกลัวฝนทำไมหนูเดินสมาธิเดินไปที่ทำงานหนูยิ้มตากฝนเปียกทั้งตัวร่างกายปกติไม่ป่วยไข้หนูเลยคิดยังมีความสุข คิดว่าเป็นนางเงือกว่ายน้ําไปทํางานแล้วกันวันนี้หนูคิดแบบนี้ได้ไหมคะได้ท่านคิดแล้วทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ก็ทํามันไม่คิดว่าลเราอาบน้ําทุกวันไม่ใช่เวลาอาบน้ําก็เปลี่ยนผ้าเราก็ต้องซักมันอยู่ทุกทุกทุกวันอยู่ดีผ้าเราก็ต้องเปลียนเหมือนกันแล้วทําไมแค่เปลี่ยนฝนแค่นี้มันจะเป็นเป็นเดือ น, น้อยตัวมันทําไมได้คิดแบบไหนก็ได้ิเวลามันทําให้ใจเราไม่ทุกข์ เราสามารถที่จะอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆได้ก็ถือว่าโอเคคําถามสุดท้ายจากคุณเอกวิทชีวิตเหลือแม่วัยชรากับลูกชายอยู่กันเพียงสองคนถ้าจะไปบวชพระแล้วให้แม่ถือศีลที่วัดด้วยแล้วบิณฑบาตเลี้ยงแม่ในวัดได้ไหมครับพระอาจารย์ได้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เอาอาหารที่บิณฑบาต ท, ที่มาเลียงพ่อเลี้ยงแม่ได้อยู่ คำถามหมดเวลาโอเคคำถามหมดเวลาก็หมดก็ดีสลับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนวเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งขึ้นไปเธอ